เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้เช่นเคยวันนี้ก็เด็กชายพี่เคมารอเป็นอันดับแรก ตอบนมมส ก, กรารค่ะพระอาจารย์เด็กชายพีเคตอไปนี้เด็กชายต้องมาสวดมนต์ให้หลวงพ่อฟังนะถ้าจยเข้ามา<ห>สวดมนต์วดมวนให้พระอาจารย์ฟัสวดมนต์ให้พระอาจารย์ฟังพอจาระบโกตัวเราตัวจะมาสมุทรสะ นโมตัสสะภะคะวะโตภะราตะสะมะสมุตัสสะอิติปิโสเสอเสภะะนาเมอเมนะะตตังสสอสตมุตะปิติอิตสเสิอิเสิภะตนะเมยิอเมนะภตะังโสอิสตมะปติอิติปิสิเสอิสเสะะนะเมยอเมนังโสอิโสตมุตะปิติ น้ำมือบดีสัตว์ตัวกันทิมายาติปากาวน้ำมือบดีสัตว์ตัวกันทิมายาติปากาวน้ำมือบดีสัตว์ตัวกันท a มายาติปากาวคัดเสียงคัดเสียงคิงกาลนังคทียทานนสุน อันนี้ส่วนของญี่ปุ่นนะส่วนก่อนนอนเขาพาอาจารย์คาถาทุกคาถาเขาเขาสุกเขาฟังตามหนูแล้วเขาให้สอนวันนี้สอนคาถานี้หนูหน่อยอันนี้หนูหน่อยแล้วเขาก็จำจำมันอย่างนี้คาถานี้หลวงพ่อมันเคยได้ยินมาก่อนเนีคาถาอะไรลูกเป็นของใครคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าคาถาหลวงปู่ทวดคาแล้วก็ หลวงปู่บัวเกต์อะคะเวลาเขาไปฉีดยาหรือว่าไปเจาะน้ําเกลือที่โรงพยาบาลเขาชอบท่องอคาถาพวก น, นี้ยคะ่ะ อ, อาลาหังสัมมาสทําไม่เป็นอาลหังสัมมาได้ไหมอันไหนดูจิ๊บพุทโธเดี๋ยวก่อนลูกอาลาหังนี่คะอาะหังสัมมาที่น้องคุณขอฟังวันนั้นไงได้ไหมโอ้ พึ่งพึพึ ง, พงแล้วแต่อารมณ์เข า, า, ขาอะค่ะพระอาจารย์าบางวันเขาก็บอกว่าอัลลัังให้หน่อยบางวันก็ชินบัญชอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ค่ะวันนี้ก็สวดเก่งแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเ <laughs> ขารีบสวดเร็วๆ่ อ, <laughs> อ, อหลังสวดช้าๆให้พระอาจารย์ฟังนะคะโ okay? อเคเดี๋ยววันนี้เราไปฝึกอัลลัังสมาเหมือนเดิมนะโอเคไหม สวดผลแผ่เมตตาในมาสเพสัตตาได้ไหเดี๋ยวก่อนลูกเจ้าเขาเป็นคไ่ได้พ่หสวดสแปมเมตตาที่ลูกเดี๋ยวก่อนเ่สแปมสัตตางไม่ได้จาไม่ได้หรออาโอเคเดี๋ยวไว้คือโตของตนเด็กๆกออ่าตอนนี้คุณโนแล้วเหรอเขาบอกตอนเด็กๆเขาสวดได้ค่ะพระอาจารย์อืม สวนได้ก็ต้องส่วนได้อีกสินะท<อ>ักคุณลองดูนะครับพราะจอรนะทคุณอไงโอเคก็เนะดี๋ยวลองดูนะครับโอเคลองสวนอะไรฮางไม่้หลงพ่อฟังนะได้ไหมครับโดยอบพ่อเชิญจะจลองดูนะครับอ่าดีมีอะไรมีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังไว้วันนี้ เรื่องปล า, ม า, านเน ม, มื่อวานไงไ้่มีเลื่องปลาเมื่อวานได้ไหมไื่จะไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อวานไปทำคดีไว้ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <อ>ไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วอยากทดลองวิทยาศาสตร์อยากทราบว่าผิวหนังของปลามันเป็นยังไงก็เลยไปเทปลาออกมาแล้วก็จับดูแล้วมันหลุดดิ้นลงไปในอ่างน้ำอะค่ะ <c oughs> หายไปตัวนึง อบรมยาวเลยค่ะเมื่อวานค่ะว่าค่ะ ม, มีอะไรอีกไหมตอนนี้คุณยายค่ะติดอยู่ในบ้านที่หัดใหญ่เพระอาจารย์ติดมาสามวันแล้วค่ะตั้งแต่วันแรก ม, ม, รมีใครอยู่ด้วยปะก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นนะคะพระอาจารย์เขาปีน ม, มาอยู่รวมกันเพราะว่ามันน้ํามันท่วมไปถึงระเบียงชั้นสองแล้ว่ค่ะอืมวันนี้ลดลงหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่มีอาหาร ไม่มีน้ำขาดขาดมดแล้วค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่สวันที่แล้วติดต่อไม่ได้วันนี้เขาเพิ่งปีนไปน่าจะปีนไปตึกข้างๆอะค่ะพระอาจารย์ถัดไปสองสามครูหาปีนขึ้นไปชั้นสามหาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็โทรมาแจ้งบอกว่าให้ช่วยหาน้ำหาอาหารไปส่งหน่อยอยู่กันสี่สิบ้าสิบคนได้ค่ะหนักหนักมากเลยค่ะพระอาจารย์ ก็ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการอยเร็วนะคะพระาจารย์ก็เป็นเรื่องที่มันเรียกว่าอ น, นิจจังไม่มีอไมันไม่แนีนนอนธรรมตาเราก็ห้ามมันไม่ได้ค่ะอะไรจะเกิดเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันให้ดีที่สุดค่ะดูเหมือนอพวกเขาที่ที่อยู่กับแม่ค่ะเขาก็แบบมันมันมันไม่ค่อยมีหวังที่จะมี เรือเข้าไปเพราะมันอยู่สุดซอยแล้วเป็นช่วงที่เอลึกค่อนข้นนนนนางค่อนข้างต่ํำอะค่ะอืมเกือบมิค่ ะ, ะก็เลยเขาก็เลยบอกนั่งสวดมนต์กันแล้วแล้วก็ไม่ต้องมารับก็ได้แค่เอาอาหารมาย่อนมาโยนไว้ให้หน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรจะทานกันแล้วค่ะอืมก็ต้องเห็นใจคนช่วยเหลือด้วยเขาก็มีไม่มากคนที่เดือดร้อนมากกว่าคนที่จะให้ความช่วยเหลือ ช่างค่คอยใจเย็นน ะ, ะอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดทําใจให้สงบถ้าใจไม่เดือวร้อนแล้วก็มันไม่เป็นปัญหาแล้พวพระกุทเจ้ายังอดได้ตั้งสี่สิบเก้าวันนะเรื่งองร่างกายมันมัน ม, นมนทนอยู่ได้ถ้ามีน้ํากินเนอ่มันอยู่ได้ไม่มีอาหารมันก็ไม่เป็นไรแต่ใจเนี่ยมันที่มันจะทรมารเพราะเราไม่รู้จักทําใจให้สงบมลยนะค่ะ เขาคงอยากได้รับความช่วยเหลือเร็วๆพอยังไม่มากก็ยิ่งทําให้เครียดขึ้นมาใหญ่ใช่ค่ะพระอาจารย์ที่ทุกทรมานไม่ใช่ทุกเพราะร่างกายนะมันทุกเพราะใจค่ะอถ้าให้เคยฝึกใจฝึกสมาธิเคยปรองมันนิจังไว้ก็ตามมีตามเกิดไว้มีกินไม่กินไม่มีกินก็เราไปก่อนค่ะแต่ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันค่ะพระอาจารย์ เหมือนว่าเขาเขาเขาเขาปงกันได้อะค่ะเขาก็บอกว่าไปช่วยที่อื่นก่อนเลยตรงนี้ยังมีชั้นสองให้อยู่ดูแต่จะมีมีใครช่วยโยนอาหารโยนน้ำเข้ามาให้หน่อยแล้วไปช่วยที่อื่นก็ไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบคนคนส่วนใหญ่มีอายุทั้งนั้นเลยอะค่ะอาจารย์ที่อยู่ค่าก็หว<ะ>ังว่าคงจะมีใครได้ยินคงจะพยายาม ค่ะเขาก็คง <ไป S 1> พยายามเ <ไป S 1> ข้าไปช่วยกันค่ะ อ, อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลยค่ะแต่ว่ามันมันเข้าไปไม่ได้ค่ะเนื่องจากตรงนั้นมันน้ำแรงมากแล้วก็มันสุดซอยเนี้ยค่ะเขาก็ทําใจกันนะคะเพราะว่าพยายามเขาบอกเห็นเห็นบอกว่าพยายามจะกนเรียกฮอฮลิคอปเตอร์ที่บินผ่านไปผ่านมากันนะคะจะไปสู้เสียงฮอได้ยังไงค่ะมันีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าบ้างกับคดีเตรียมน้ําเตรียมอะไรไว้ เหอุาการณ์ล่านี้เกิดขึ้นจะได้มีอะไรกินได้ทั้งสองาวันก็ยังดีะ้ากระป๋องมามา ก, เ, กเหมือนเหมือนว่าที่เขาประกาศานะคะพัดรันประกาศาตอนบ2สองแล้วบอกให้อพยพทันทีภายในสี่มงเย็ยนมีเวลาสชั่วโมงหน้าตอนนั้นน้ำอยู่แค่อกแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ทันนะไม่ทันนะมาเร็วมากใช่ค่ะพัดรัน แล้วก็ของหมดเลยทั้งๆ ท, ที่เขาพยายามเตรียมกันไว้แล้วแต่มันไ ม, ไม่ไม่พอจริงๆค่ะมันไม่คิดว่าไม่มีใครคาดคิดอ่ะ น, นะคะมันสุดวิสัยว่ามันจะนานขนาดนี้ฝนมันก็แช่ชก็ได้แต่เอาใจช่วยค่ะคือช่วยทุกวิถีทางแล้วโพส์โทรไปกันแล้วทั้งทหารตำรวจทุกทุกวิถีทางแล้วก็ก็ได้แต่บอกว่าเออต้องสู้ๆละก็ตามบุญตามกรรมมาวว่าค่ะใช่ เกอมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าก็ช่วยได้เขาก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนค่ะพระอาจารย์กับพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้ทุกๆคนยังไมก็ใครคิดว่ายังไม่ตายก็ก็บุญแล้วนะค่ะยังดีคิดไปในทางบวกก็ไดเอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายใช่ค่ะ คนที่เขาไปยืนอยู่บนหลังคาแล้วก็ยังดีที่มีระเบียงให้ให้ปิ่มปิมน้ํายืนยืนอยู่ก็ยังดีกว่าไปอยู่บนหลังคาก็ก็ก็บอกแม่อย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ยังดีที่เรามีระเบียงให้ยืนอยู่อืมอนบูบ้านเดิหนูนอยู่ที่ชิดผาใหญ่เลยบ้านแม่บ้านคุณตาคุณยายอะค่ะอ๋อแม่ตาใหญค่ะหนูก็บอกพี่กัดเขาก็ไม่ถูก <laughs> เพราะว่าหนูไปแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ไปไปขรังสองคั้งค่ะเขาบอกอยู่แถบนี้แถบนี้ ค่ะอืมก็เอาใจช่วยพวกเขา่ค่ะให้เขาไปให้แก่เขาดปลอดภัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดเท่า ท, ที่จะเป็นไปได้นะอ่าสาธุค่ะพระอาจารย์สาธุพาพาาครับ พ, พวกเราใครช่วยเหลือก็ได้ก็ช่วยช่วยกันไปบริจาคอะไรได้ก็บริจาค ก, กันไปอ่าโอเคไปที่เด็กเล็กได้ก่อนน ะ, ะน้องเลินะน้องเล น, น น้องเรนใช่ไหมค่ะอารักกาลงพก่อนแล้วอรน้องเรนกลับแล้วค่ะบพระุแบบพระธรรมแบบพระสงฆ์อ่าสวดมนต์ให้หลวงตาทั้งเลยสวดมนต์เร็วอาร์วอารัาดม่เมนนักบูตแบพระคาวันอ่นอ่าอารักเาจะมาทำบูษะนักบูตทำบูษะต้องตัวราต้องทบษะอารมาท พระกวาผู้ทางพุทธทางเลรวานิชตอสว่างค้าตัวพุทธตาค้าลูทางมังนามาสามิสว่างค้าสุขววันนกมะตุกเจ้าวะาทุกเท่ากุบต้อสันนิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอร่นแต่พึงกิเลสพึงทุบจริง ตัดเซลูเลตพรองคเองบอือต่อเลยครับอิติพิโตภพทวัอลาหังสัมมาทศพุโธวิชาตะลานสัมพนโนตุโตโดกวิูุตโดปุณิสทรรมอุชลานิสัตถะเทวมานุสานะพุทโธควาติครับอือคุณผู้ชมอะไรนะในพระเจ้าในพระธรรมนะพระเจ องคี่ิตตนผู้ตนองค์แก่โมนิยุทธ์ธรรมชาติธรรสัตว์ุะนภูต่างของมนุทธ์ศาสนาเขาแก้นพุทธธรรมตตะแก่ะจิตใจก็ต้องมาช่งพูดตรงอย่างต้องอย่างยิ่งไม่ด้แล้วยุดยืนชุบอดต้งรีบุณชุบตุกตุกคุณุกจาสาธาัีสัตวลาสุจิตนำปยิเราี ตองมีคามต่าตรงนี้แล้วแกเป็นธรรมดาเดี๋ลูกคชอแกไปไม่ได้ลรื่องใจความตายเป็นธรรมดาเดี๋ลูกคุก็ตายไม่นดะใจความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเดี๋ลูกคจณเจ็บไขเป็นไมาได้าจะต้องเราต้องคำว่าอย่าของเราของเริญใจทั้งแรงทั้งพกเรามีกรรมเป็นของกรงมคนเราจะต้องเอาผลของกรรมนั้นเอามีกรรมเป็นที่กรรมกรรมหนึ่งเอามีกรรมเป็น ที่เปิดเผ่าพักก็เป็นผู้น่าใสเราจะทากับอันใดไว้ที่ในช่วงเราจะต้องรับกรรมของเราจะต้องรับคนของคานั้นเอาถึงข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าต้องมีสุนาร์อืมเข็งมาก ปวดแล้วยังปวนแล้วเจ้าค่ะใครม้วนสอนใครม้นสอใครสอนคะใครสอนตั้งเลยใครสอนครับอาม่าอาม่าคุณยายอาหม่าคุณยายแล้วก็มามาเขาด้วยค่ะเดี๋ยวูต้องเลยฝากของไปใส่บาตหลวงพ่อเจ้าค่ะฝากอะไรบอกหลวงพ่อทีให้หลวงพ่อดูทีอาบอกหลวงพ่อทีค่ะอาจารย์หลวงพ่อแล้วมีอะไรบ้างมีสาลามีนมด้วค่ะ อั น, นี้ส่งไปให้ช่วยคนที่เขาขาดแคลนได้ไหมได้บุญเหมือนกันทํามือนกับพระทำบุนกับวัดก็เหมือนกันเหมือนกันได้บุญเหมือนกันเท่ากันที่ไหนก็เดือร้อนนะนั้นทั้งคนจะไปที่นั่นก่อนอะาใ่หันใหญ่พวงไปซื้อของมาจ้ะค่ะเออดีนั้งช่วยกันส่งไปซื้อแล้วเดี๋ยวพวกค่ะพรุนี้ช่วยเขาจะไปค่ะเขาจะลุยไปแจกที่หัดใหญ่เลยมาดามอ่ดีสาธุจ да> ้ะ ได้บุญเท่ากันได้บุญเหมือนกันทำบุญกับวัดทำบุญกับพระทำบุญกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนี่ก็ได้บุญเหมือนกันนะไม่ต่างกันเลยอไม่ชอมอะเลออนุโมทนาสาธุนะคุณอ่ะลหลวงพ่อแล้วลูกปนอนแล้วโอ้ค่ะมีอะไรไหมไม่มีฮะเหไหมตั้งแล่เอามะเอาตรง เขาน่าจะง่วงนอนแล้วเจ้าค่ะถ้าผู้ใหญ่มีอะไรจะทำจะคุยไหมอะไรนะเจ้าคา่ะอ๋อไม่มีเจ้ค่ะแต่๋ยวพรุ่งนี้โยมพาคุณพ่อไปใส่บาตรพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพ่อกลับมาที่ที่บ้านแล้วนะคะคุณพ่อบอกว่าอยากไปใส่บาตรพระอาจารย์เดี๋ยวคุณนิยมพาคุณพ่อไปเจ้าค่ะ<อ>โอเคไปที่จามัตนาแมชชัตจทตตี้จจกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับ อ้าวคือวันนี้มาที่ไหนพ่อจะอะไรอะไรนะครับก็คืนนี้จะมารายงานการนั่งสมาธิแล้วก็สมาบ้านครับเดี๋ยวทั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวพั้กทั้งนี้ก็น้องเลนก็จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วนะฮะน้องเลนเปิดน้องเลนอาม่าบน้องเลนเปิดน้องเลนเปิดผิดเจ้าค่ะ ไม่แล้วมีอะไรหรือเปล่าไม่มีตระกาไม่มีอ ะ, ะไร ะ, ะโอเคเดือนพฤศจิกายนอ่าต้องมามาลงการบ้านนะแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับอืาเป็นยังไงได้เกียรติแล้วก็คอับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้นั่งครับเพราะว่าสอบครับก็เลยมาชดเชยอาทิตย์นี้แต่กันวันที่ไม่ไปโรงเรียนก็นั่งวันละสองครั้งครับเช้ากับบ่ายครับเออนีครับพยายามชดเชยนั้นจะได้ไม่เสียทิ้งสาย มันจะอ้างรน้นอ้างนี้แล้วไม่ทำพอไม่ทำบ่อยๆแล้วมันก็จะทำยากขึ้นถ้าทำบ่อยๆมันยังง่ายการพยายามถ้ามันขาดก็ต้องชดเชยนะครับตอนนี้ก็มานงเป็นปกติแล้วครับีของดีของวิเศษนะการภาวนาไม่มีไม่มีที่ไหนก็สอนนอกจากในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเอง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 เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูม้ามหัวใจตับถังพืชนไตปอดเส้นใหญ่เสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงอน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเผือกน้ำมูด น้ำมูดน้ำเขลข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีเยี่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไสยน้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผึ่ตับหัวใจม้ามย่ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเ ขนผมเป็นตัวเราอะของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นอะไรเป็นดินน้ำลมไฟครับอ่านะวันอยากมองให้เห็นว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟนะไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราคำมองไม่เห็นกันเรากลับไปมองว่าเป็นจัดที่เป็นจอมแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไร ความจริงมันก็เป็นแค่ดินน้ํำลมไฟแต่ว่าหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องแยกออกไปร่างกายเราเหมือนไอติมไอติมไั บ, บเวลาไอาติมออกมาจากข้างนอกตัวเย็นวางไว้เดี๋ยวเดียวมันก็หายไปมันก็ละลายหมดนะรับร่างกายเราก็จะถูกเวลาละลายไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นตัวละลายร่างกายของเราหายหายไป ภายในร้อยปีนี้ร่างกายของเราเนี่ก็จะหายไปหมดแล้วครับไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่สิ่งที่ไม่ละลายก็คือใจของเราใจของเราที่ทำบุญทำบาปเนี่ยใจไปต่อแล้วก็บุญบาปที่เราทำไปรับผลต่อ ด, ด้วยเรีนต้องพยายามอย่าทำบาปพยายามทาบุญให้มากครับโอเคมีอะไรจะาถามไหมไม่มีแล้วครับ โอเคงั้นไปที่น้องเทมตาน้องเทมกับคุณแม่การการค่ะอาจารย์วันนี้เอ่ออาทิตย์นี้นั่งสมาธิเลยหนึ่งชั่วโมงสี่นาทียี่บแนาทีแล้วกมันไม่้คว่าน่ามนเดียวหนึ่ชั่วโมงกว่าาวันครับสะสมหกวันหวันครับมากสงสุดเท่าไหร่ เอ่อสิบเอ็ดนาทีสิเดนาทีน้อยต่ำสุดนะเกดสิบเจ็ดนาทีสิบสามวครับต่าสุดแล้วลูกประมาณสิบสิบสี่ครึ่งครับค่ะสิบสี่สิบนาทีครึ่งครับอ่าสิบนาทีครึ่งไม่ต่งกว่าสิบอะรนี้เก่งมากนะไม่ต่กเออ่ดีทำไมนั่งได้อนี้เมื่อก่อนนั่งไม่ได้ใช่ไหมเออเริ่มชินละครับเริ่มชินแล้วนะอเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะชินไป ใจก็จะเย็นลงใจก็จะสบายขึ้นไม่เครียดมากเวลาเวลาเครียดหนูก็นั่งทําสมาธิไปนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนหนูก็ทําสมาธิได้ทําในใจเราเนะี่ยใจเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความเครียดกับไม่สบายก็จะหายไปออดีพยายามฝึกไปเป็นธรรมโอสดเป็นยา ร, รักษาใจน ไม่มียาในโลกนี้ที่ไหนก็รักษาใจได้ยาในโรงพยาบาลยาในร้านขายยานี้มีแต่ยารักษาร่างกายนะนี่ไม่มียารักษาใจเลยยารักษาใจนี้ต้องธรรมะนี้ที่เราปฏิบัติกันเนี่ยสติเป็นยาที่สําคัญปัญญาครับเป็น<อ>ปัจจัย เ, เป็นยาที่ยอดเยี่ยมที่สุดพยายามสร้างสติสร้างปัญญาไวไ้เรื่อยๆ จใจจะไม่เครียดใจจะไม่ทุกจใจจะสบายมีอะไรไหมคุณแม่อ่ไม่มีค่ะแต่พอดีเมื่อกี้ตอนที่พระอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารนะคะคือเขาเหมือน เอเขาเหมือนเขาเขาไม่คิดว่าเหมือนเขาไม่เชื่อว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอที่พระพุทธเจ้าอดอาหารได้ถึงสี่สิบเก้าวันนะคะหนูหนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าท่านเข้าสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะท่านก็เลยสามารถดํารงอยู่ในสมาธิอดได้ถึงสี่สิบเก้าวันอะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>หนูไม่แน่ใจว่าหนูบอกเขาถูกไหมใจท่านไม่หิวไงใจท่านเฉยเฉยมันก็ใจท่านอิ่มด้วยสมาธิสมาธิทําให้ใจอิ่ม ส่วนร่างกายมันหิวมันก็ไม่มากระตุ้นกระเทอนกับใจที่อิ่มครับแต่แต่ใจที่ไม่มีสมาธินี่ยต่อให้กินข้าวกี่มือ้อมันก็หิวอยู่นั่นน่ะวันดีกินได้ไม่กี่ชั่วโมงหิวกันแล้วใช่ไหมทิมครับอ่นั่นะ่ะพอกินเสร็จเดี๋ยวเห็นขนมก็อยากจะ ก, กินละเห็นอะไรก็อยากจะ ก, กินขึ้นมาอันนั่นนะ่ะตัวนั่นคือใจที่มันหิวร่างกายไม่หิวหรอกร่างกายเป็นถึงอ้วนกลายเป็นตุ่มเปนทุกวันนี่ใช่ไหม ครัอ่าเข้าใจยังเรามีสองคนใ น, ในตัวเรานะเรามีร่างกายเราเรามีใจอืใจของเรามันหิวเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารหังใจคือสมาธินี่นเองถ้าเราคอยฝึกสมาธิเรื่อยๆใจมันจะอิ่มจะไม่หิวอดข้าวเย็นก็ได้คนที่เาเถอนสินแตกก็ได้เร อ, อดกับแม่ดูสักวันเลยแม่ชวนน้องทีมอดดูไหมอย่ากจะลองดูไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <laughs> ก <laughs> <c oughs> ลัวด้วยแต่แค่นี้เองหลวตาอนี่กินข้าวมื้อเดียวมาตลอดเนี่ยไม่เห็นตายเลยเลยกินเนื้อกินนื้อตั้งแต่เช้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้กินมาจะากก็จะได้กินกับพรุ่งนี้นู่นนะอยู่ได้าลยหลบห้าส <50 S 2> <ะ>ิบปีห้าสิบปีแล้วนี่ห้าสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ย <c oughs> มื้อเดียวมาตลอดไม่ตายหรอกสบายสิ เวลาหิวก็นั่งสมาธิไปอย่างที่น้องถิมฝึกเนี่ยค응เวลาหิวข้าวก็นั่งสมาธิไปเดี๋ยวพอใจอิ่มใจลืมเรื่องเรื่องข้าวมันก็ไม่หิวแล้วนะลองฝึกดูแล้วนะูน้องถิมจะมีความสามารถเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆ อ, อนอดไม่ได้น้องถิมอดได้ แต้องอ่ไปชวนแม่แล้ให้ก็อาสาสมอครเองแม่วันนี้ผมอยากจะลองอยากจะลองอดทักมื้อหนึ่งจากสักวันหนึ่งดีไหมต้องต้องลองต้องให้เขามีความอยากรู้ด้วยเองใช่เดี๋ยวมั่งครับเขาเขาก็หรือแม่อดไห้เขดูบ้างก็ได้วันไหนแม่บอกวันนี้แม่แม่ถือสิบแปอแม่จะบิเบ้เดียวมือยนยังไม่ได้ทานอยู่แลอแล้ววันไหนเขาอยากจะจอยก็มาเขาจะขอร่วมด้วยก็ดี จนรู้ว่าวันไหนจะเป็นไปได้ค่ะเาอาจารย์ต้อเป็นไม่ได้สิถ้าเราทําบ่อยๆก็เห็นเขาเขาก็จะอดเขาก็อยากจะลองดูทำไมที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเราก็ไม่ได้อดเราก็เพีงแต่กินมื้อเดียวแต่พอไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตายเห็นพระท่านอดดีสามวันห้าวันนี่ทำไมท่านอยู่ได้วะเราทําไมอดทําไมอดแล้วภาวนาดีโอ้ยเราลองดูเรา อยู่กับที่ไหนที่ก็มีแบบฉบับมีตัวอย่างที่ดีมันก็ทําให้เราอยากจะลองตามเขาด้วค่ะอ่าได้ค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะเป็นอะไเจ็บเหรอคะลูกเป็นไรหรอไม่เจ็บอ๋อแล้วไงแพ้เลยหรออืมพาวนาไปก่อนเรียวร่างกายเจ็บอย่างนี้นะลูกกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะอคุณทับอจารย์ทัายหน้าไปนานนะ กรับและตการพระอาจารย์ครับเออมีอะไรไหมยังยังยังไม่มีครับ <c oughs> ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโอเคไปที่อาจารย์พรหมพิรายต่ออาจารย์มาอะไรยังคุณอนุกูลดูขึ้นมาอะไรัามมาการค่ะยังไสาวตายายอาจารย์ครับเออ เป็นยังไงบ้างสบายก็น้ำขี้น่าจะสบายดีฮ<อ> <นา S 2> ะช่วงมีก็ก็สบายฮะเห็นพวกคนที่เขาเดน้นําโทนเองก็มันก็เลยทําให้เรู้สึกว่ามันเราอยู่งสุกสบายนะ<อ>ไม่เดือดร้อมีญาติๆอยูย่ที่หัดใหญ่ค่ะอืมคือพอเกาโดนหมดถ้าในเมืองขนาดให่นี้โดนหมดเลยไ่มโดนค่ะ ไม่มีที่ไหนที่ไม่ท่วมเลยใช่ไหมคนหนึ่งก็ย้ายออกมาหมายถึงครอบครัวหนึ่งอือีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ย้ายออกมาบ้านไม่ท่วมาแต่รอบๆท่วมหมดมต้องมีคนไปส่งไฟส่งแบตเตอรี่ค่ะอืะอาหารให้ไฟดับหมดทั้งเมืองนะใช่ค่ะเนี่ยโลกของอ น, นิจจังแาบนี้อนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ เราก็ช่วยได้แค่ง่ายสุดสำหรับเราก็คือโอนโอนโอนทำบุญใช่ค่ะใ่่เราใช้เงินไปซื้อข้าวซื้อของอะไรใช่ดีทำได้บุญเหมือนกัรทำกับวาดกังกวาดใช่ไม่ต่างกันเลยไม่สาวก็โอนไปดีนุโมทนาอืมมีอะไรไหม ไม่ค่ะได้กลับพระอาจารย์บ่อยๆก็ได้รับพลังมาเยอะแล้คะโอเคอยวอันนี้ก่อนนะการมรดกการอ่าจารย์สุภัตราต่ออาจารย์วันนี้คงจะเสียงดีนะวันนี้กลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะได้ยินรู้เจ้าค่ะอวันนี้ดีนะํวาวันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์เจ้าคะ่ะอ ปกติใช้โทรศัพท์แล้วรู้สึกมันสะดุดก็เลยวันนี้เปลี่ยนเป็นใช้คอมพิวเตอร์ออตันนี้ไม่สะดุดชัดเจนก็ออยังเชื่อเจา้าค่ะงานเยอะเจา้าค่ะเลยรู้สึกว่าเวลาปฏิบัติน้อยลงมากแต่ว่าก็พยายามตื่นตอนเช้าตีสี่ครึ่งมานั่งสมาธิเหมือนเดิมเจา้าค่ะกวรจะรักษาระดับการปฏิบัติของเราไว้ให้ได้มากที่สุดท่าทียาทได้นะ แต่ก็มีความจำเป็นถ้ามีงานอย่าง่นต้องทำก็ต้องยอมยอมยอมตัดไปบ้างตามความจาเป็นอ่ถ้ามีโอกาสเมื่อไรก็กลับมาเติมใหม่เติมเพิ่มใหม่ เ, ออเจ้าค่ะลูกก็พยายามนั่งนั่งสมาธิให้ได้เกือบทุกวันเจ้าค่ะ<ม>ยังพยายามอยู่เจ้าค่ะงานอื่นเป็นงานชั่วคราวทำเพื่อให้อยู่ไปล่ดๆไปวันๆนนตายไปมันก็หมด แต่งานสั่างสมาธิงานทางใจนี่มันไม่หมดนะมั น, ม, นมันติดไปกับเราเจ้าค่ะน้อมนำเจ้าค่ะน้อมนำเจ้าค่ะวันนี้ก็ได้เติมพลังดีใจเจ้าค่ะจะพยายามเข้ามาเรื่อยๆเจ้ า, า, าค่ะาังดีเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะโอเคอเดีเ๋ยไปที่คุณสาธิกาต่อ ลาตะการจหน้าตอนนี้ชจหน้าพ้นจากน้ำํำท่วมแล้วไม่มีข่าวแล้วเนะี่ยอ๋อพ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่หาดใหญ่เห็นก็บริจาคไปค่ะพระอาจารย์สาธุพอาารยช่วยกันคนไม้คนละมือใจเขาใจเราอ่ะค่ะอาจารย์ได้ค่ ะ, คะโอเคสาธุสวัสดีคุณสันนิต่ออันนี้เป็นไงคุณแม่ แกนมาเจอกนพระอาจารย์ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ก็น่าจะไม่เครียดค่ะแต่ก็ยังยังยังยังยังดูอยู่เดี๋ยวเคุยนะคะ่ <c oughs> ให้ให้มาอธิบายเองดีกว่ามันอคุณแม่ต้องทำใจเนี่ยมันขึ้นมีลงเป็นธรรมดา โลกมันโลกของการดิจังยุบหนอพพองเนาะปฏิคราชานั่น <c oughs> ตับใจไม่ได้ข็อยากไปเล่นมัน <c oughs> ตอนนี้มันในใจมันกําลังต่อสู้ว่าจะเล่นดีไม่เล่นเลิกดี <c oughs> ไม่เลิกดีเพราะว่าจะเลิกต้องเลิกเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าอมาให้เลิก ให้เลิกก็พยายามไม่ได้เข้าไปซื้อแต่ใจมันก็ยังหดไม่ได้ยังไปไม่ไ่ามันต็มอยู่ยังต็มอยู่ขาดมันยังติดก็พยายามอยู่ก็ก็ก็ได้เยอะแล้วพอจะจะจะเข้าไปเทรดก็อึ้งอาจารย์บอกว่าให้ยายให้เลิกให้ได้ก็เออหยุดชะงักก็ยังยังไม่ได้เทรดตอนนี้อย่าไปสนใจอย่าไปติดตามมันเลยอย่าไปรับรู้ ใครยังทำดูอยู่มันกอดไม่ได้ะดูขวิเคราะห์ทุกวันเออดูวิเคราะห์ดูการ์ดแล้วก็ดูราคาทองทุกวันแต่ก็ใจมันสู้กันอยู่ว่าเออไปซื้อนะพระอาจารย์บอกไม่ดีก็คิดถึงพระอาจารย์ตลอดเลยก่าพระอาจารย์บอกว่าไอ้ไอ้ไอเลอกไอ้ได้ก็คิดถึงก็เลยไม่ไม่ได้เข้าใจก็อยากจะเข้าอยากจะกดอยากจะกดแต่ก็นึกถึงพระอาจารย์ก็ก็ก็ ก็ก็ก็นั้นได้ก็ตทำใจได้ว่าเออไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ดีเลือกได้ดีกว่าใจจะได้สบายค่ะไม่งเครียดกับมันทุกวันอ่ะเครียดวันนี้ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านต้องรีบมาเอาค่ะเพราะว่าตั้งตั้งดูทองไว้ต้องรีบมาแต่จริงๆถ้าเราไม่ถ้าไม่ดูทองก็ดึงโทรศัพท์ไว้ที่บ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ อันนี้ก็เลยเครียดยังเครียดอยู่เป็นมันยาเสพติดนะคุณยองกับมันมันเหมือนว่ายาเสพติดมันแหมจะออกจากวงจรนี้ออกยากมากเลยค่ะต้องทําต้องสู้กับใจตลอดเวลาในหัวรู้กับมานไม่นะไม่นะเวลามานมันคิดมาแบบว่ามันเข้ามาบอกไม่นะไม่นะก็พยายามคิดถึงพระอาจารย์ไว้คําสอนของพระอาจารย์ไว้ก็เลยหยุดได้ชะงักอยู่ ตอนี้ก็พยายามทำสมาธิเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้อะไรเพราะว่านั่งนานๆเป็นหมอนรองกระดูกทีนี้นั่งคอนานๆมันคอมันจะเมื่อยนอนนานก็ไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้หมอนรงกระดูกค่ะอ็เมื่อเวลาก็นอนนอนทำสมาธิไปโดยมากจะนอนสมาธินอนไปสมาธิหลับไปไม่รู้เรื่องพอตื่นมาอ้าวสมาธิต่อ พุทโธต่อพุทโธต่อตลอดเอา้าไปยังา<ด>ไปาไม่รู้เรื่อ ง, งอีกยังดีกว่านอนไม่หลับยังดีกว่าเครียดนอนไม่หลับค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าจิตมันสงบนะคะอืตอนที่ว่าเราสมาธิตลอดพอตื่นมาเรานอนไม่หลับก็สมาธิจนถึงตีสามบางทีก็นึกถึงว่าพระอาจารย์ที่ท่านได้วรฐานอะไรท่านไม่ไม่แทบไม่ได้นอนเขาต้องท่านต้องนั่งสมาธิใช่ไหมคะก็เลยคิดอย่างนั้นก็เลยใจก็สงบแล้วก็สมาธิจนหลับ ตื่นก็สมาธิอหลับก็สมาธิค่ะแต่ว่าสมาธิดีกว่าติดสมาธิดีกว่าติดแต่ตอนกลางคืนติดสมาธิมากเลยพอหัวถึงหมอนทันทีเลยค่ะพตไม่ไม่ไม่หลับค่ะพุทโตพุทโตพุทโตพอเอานอนแล้วก็พุทโตพุทโตพุทโตพุทโตจนหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็ตื่นมาก็พุทโตอีกพอรู้สึกตัวก็พุทโตอีกค่ะแต่ว่าหนูก็คงไม่ได้แต่แค่ใจกิจสงบ ยังยังไม่ได้จะกัน้นอยากไปพระโสดาบันสักหน่อยอ <laughs> อย่างนอไปอย่างนไม่ได้ไปไม่โสดาบันก่อน <laughs> อยังบอกพวกเว่ยทำไงได้ไปโสดาบันสักนิดนี่ไงถามพระอาจารย์พระอาจารย์ว่าต้องปล่อยร<ำ>่างกายต้องยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปไม่ต้องไปทำอะไรต้องปล่อยวางใช่ไหมคะอะมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปทําหน้าทําอะไร มันเจ็บการรักษาเป็นรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคอันนี้หนูอยู่กับเขาได้แล้วเมื่อก่อนปวดจนร้องไห้น้ําตาไหลเนื้อเต้นมันลงแขนใช่ไหมมันเป็นตรงนี้มันก็ลงแขนนอนน้ําตาซึมปวดจนแบบร้องหาเพราหาแม่ก็ตอนนั้นยังเข้าช่วงนั้นมันทำสมาธินะแต่ว่าบางครั้งพระมันปวดมากมันทําไม่ได้เลยแต่ว่าก็ปรงตรงเว้แอบแบบว่าเออมันจะเจ็บก็เจ็บไปทําไม่ปรงอย่างนี้เราก็ ค่ะปล่อยมันเจ็บไปก็อยู่ได้แล้วตอนนี้อยู่กับเขาอยู่กับมันได้แล้วอยู่กับมันได้พยายามอยู่กับมันไปค่ะเพราะว่ายังไงต้องอยู่กับมัน้ได้เจ็บยังไงก็ใกล้นะเดี๋ยวก็เป็นใกล้โสดาบันเข้าไปแล้วแต่มันก็ให้อยู่กับความตายให้ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปก็อะไรเรืองความตายพอตื่นมาเสร็จตอนเช้าก็เรื่องความตายนอนนอนเรื่อึกปรงตัวเองว่าคนที่เขาตายอีกหน่อยเราก็ต้องตายเหมือนกันนะตัวตายแบบอย่างนี้นอนตัวตรงเนื้ เราเอาเอานอนดูมันจ<ป>ะแนบลตัวกับแล้วก็ฝึกดูว่าที่เขาเห็นโครงกระดูกอะไรก็ฝึกดูอยู่ฝึกในใจว่าเออเห็นโครงกระดูกอย่างโน้นอย่างนี้นะเราก็อีก่อยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเออค่ะดีถูกต้องแล้วใกล้นะออกแล้วเนี่ยกาลังเจริญมรรคแล้วเขเรียกเจริญมรรคสวดาปฏิมรรคถ้าคิดถึงความตายคิดถึงอนิจจังไม่เที่ยงของร่างกายคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเนี่ย แล้วก็ความอยากความอยากได้ไม่ค่อยมีอยากได้เท่าไหร่แล้วเงินทองไม่ค่อยอยากได้แล้วว่านึกคิดว่าตายไปแล้วออกไปไม่ได้ลูกก็เดี๋ยวก็มีอาชีพที่ดีอยู่แล้วเงินเดือนก็เยอะอยู่แล้วเขาก็ที่เหลือก็ได้เขาบ้านช่องเขาก็มีครบรถราเขามีคบเขาาก็หากินเองได้แล้วพยายามปล่อยวางเขาโยนสอคนแม่ลูกก็เลยปล่อยวางว่าเขาจะอยู่คนเดียวก็ต้องปล่อยวางว่าเออ ก็ต้องอยู่ได้คนเดียวหรือมันก็ไม่มีแม่อื่เราจะได้ไม่เป็นห่วงค่ะเวลาเราเดินทางไกลเราจะได้ไม่เป็นห่วงเขานักว่าเออเขาคงเหงา嘛นะถ้าเขาอยู่คนเดียวหนูก็คิดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็เหงาแต่ก็พยายามปล่อยวางคนอื่นเขาอยู่ได้ลูกลูกก็ต้องอยู่ได้ค่ะลูกสาวก็ต้องอยู่ได้คนเดียวเขาก็ไม่มีครอบครัวใครเข้ามาในห้อนี้รับประกันได้อยู่ได้คนเดียวค่ะพ่อไม่โรบิธีอยู่คนเดียวไหม ค่ะค่ะพวกเราคิดซะว่าตอนเราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวตายไปเราก็ตายไปคนเดียวใช่อยู่คนเดียวได้มันต้องอยู่ได้ค่ะได้ไม่ได้ก็ไปโอเคนะค่ะอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปดูมันปิดหูปิดตาในเรื่องทอาเนี่ยจิตใจเดี๋ยวมันย้อนกลับมาได้นะเดี๋ยวมันย้อนกลับมาได้นะ ก็มันเหมือนว่าคนที่เสพยาบ้าเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนกันเลยควาบหมุนกันเลยถ้าอยู่ใกล้เ่มันหลดไม่ได้มันหลุดไม่ได้อะค่ะพยายามพยายามมันต่อสู้อยู่ในใจตลอดเวลาใจก็สู้แต่พอมันอยากจะเทรอยากจะคลิปในโทรศัพท์ว่าซื้อก็คิดถึงพระอาจารย์กับพูดของอาจารย์ตลอดก็เลยไม่ได้กดไม่ได้เกิดไม่กล้ากดทีนี้กลัวก็เลยไม่ได้กดจนบัดเนี้ยว่าจะจะน่าจะ จะเลิกอ่ะน่าจะเลิกกใหแล้วไเลิกขนไดนะะนะกากาขอบคุณ่ะทุกาแ้วเข้ามาฟังธรรมค่ะวันนี้ไม่มีคำถามโอเคครับเดไปที่คุณจุ๊บต่อจุ๊บโกเบนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงญี่ปุ่นตอนนี้หนาวหรือร้นเนื้อตอนนี้หนาวค่ะพระอาจารย์ร้อหนาวไ <ม>ต้องเอาสต๊อบมาเปิดแล้วค่ะพระอาจารย์อืมค่ะก็พระอาจารย์เจ้าคะหนูมีวันนี้มีคําถามเจ้าค่ะมามาจริงๆแล้วหนูก็ไปหาไปหาอ่านจากที่อื่นมาแล้วนะคะแต่ว่าหนูก็ยังไม่เข้าใจสัพทีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แจ้งอะค่ะพระอาจารย์อ่ถามมาเลยอืมกิเลสกับตัณหาค่ะพรอาจารย์มันไม่เหมือนกันยังไงคะ ตัวเดียวกันเหมือนเป็นเมืนชื่อเล่นกับชื่อจริงอี้ยมันเป็นตัวเดียวกันเหรอคะป้าจ๊ะคำว่ากิเลสเนี่ยหมายถึงโลคโกรธหลงเนี่ยตัณหาก็คือความโลภความอยากได้อืหนึ่งในกิเลสกิเลสเน่มีสามตัวความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรียกว่ากิเลสค่ะส่วนตัณหาความอยากเป็นตัวตัวโลกเนี่ยก็คือเป็นตัณหานี่ก็คือเป็น ส่วนหนึ่งในกิเลสใช่ไหมคะอ่าส่วนหนึ่งของกิเลสคือเป็นตัวโลภเนี่ยความโลภอยากได้อยากได้ลูกเสียงกินรดอยากได้ร่าอยากได้โดยเนี่ยเป็นความโลภเป็นอีหนึ่งในกิเลสวิภาวาัตนาคือความอยากไม่ให้มันเป็นก็เหมือนกับความโกรธเกลียดชังอะไรไม่อยากให้มันมาเกลียดความแก่เกลียดความเจ็บเกลียดความตายก็เหมือนกับความโกรธ ส่วนความหลงนี่มันก็คือหลงไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นวะของเราอันนี้เรียกว่าหลงความจริงไม่มีอะไรเป็นของเราทุากอย่างมันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟกิเลสมันรวมสามตัวนี้เป็นร ว, ร, ว ร, ว ร, วรวมเวลาเราพูดสังสารตัวนี้แบบรวมๆมันก็พูดกิเลสแต่ถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องการมาตัญหาแล้วพูดเรื่ อ, ง, องความอยากเสพรูปเสียงกินรเนี่ยแล้ว อืมอ่ะแล้วอันนี้ใช่ใช่หรือเปล่าคะอย่างกิเลส ท, ที่พระอาจารย์เคยบอกว่าที่เราพวกเราเกิดมากันเนี้ยเพื่อว่าพวกเราจะต้องเกิดมาเพื่อดับกิเลสเพื่ อ, เ, อ, อเพื่อมาเรียนรู้เพื่อด้อดับนะดับไอ้โลกรถลงเนี่ยแล้วแล้วกิเลสนี้คือเป็นตัวที่ทําให้เอ่อเรามีอารมณ์ใช่ไหมคะจ้ะพระอาจารย์ใช่เวลา<ง>มีกิเลสไหนก็โลกขึ้นมาอารมณ์ เห็นของที่เราเช่าก็โลภขึ้นมาอยากแค่ได้เห็นของที่เราไม่เช่าก็เกลียดขึ้นมาโกรธขึ้นขึ้นมาเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของไม่ใช่ตัวตนก็ไปเห็นว่าเป็นตัวตนมันเราของเราขึ้นมาคือความหลงความหลงก็คือไม่เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นอนิจจสุขังอนัตตา เต้องมาแก้ความหลงด้วยให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เวลามันดับมันจะทําให้เราทุกข์อ น, นัตตาละห้ามมันไม่ได้เวลามันจะดับมันก็ดับเจ้าค่ะอ่เข้าใจยังคะหนูหนูเริ่มเริ่มหนูเริ่มเข้าใจที่พระอาจารย์อธิบายมาแล้วเจค่ะพอาจารย์แล้วพออย่างนี้หนูหนูก็เลยมันก็กลับไปสงสัยอย่างอย่าง คำที่เขาพูดกันอะ่ะการกิเลสที่หลงพูดละก็กิเลสที่กามก็อยากเสกกามกา ม, มาตันห่ยมันก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมจ๊ะหนึ่งในหนึ่งในสามตัวที่มั่นมันเป็นความโลภโลบโล บ, บอยากเสกโลภเสียงกินเราเรียกกา ม, มากิเลสเจ้ า, าค่ะนะก็มีแค่นี้โลภโกรธหลง <ร uf S 1> ความ อ, อยาก อยากเสกรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอย่างล่าอยากรวยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ยพอไม่ได้ดังใจก็โกรธขึ้นมามันทำงานด้วยกันมันเป็นผลความโกรธมันเกิดจากการการที่เราไปอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็เลยโกรธแล้วความอยากได้อะไรก็เป็นผลของความหลงไปหลงค่อว่ามันเป็นความสุขหลงไม่คิดว่ามันจะตั้งได้อย่างแน่นอน พออยางแล้วพอไม่ได้มันก็เลยโกรธขึ้นมาถ้าไม่อยากสักอยาก่างมันก็ไม่ต้องโกรธใครไม่เสียใจเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมในหนังสือหาไม่ไม่อธิบายอย่างนี้ไม่ได้ต้องเกิดจากการปฏิบัตินะเจค่ะใช่ไหมที่ที่หนูไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่ากิเลสก็เหมือนกับ เหมือนกับเมฆที่มาบังแสงพาทิตส่วนส่วนตันหาก็คือเหมือนกับลมที่มันพัดเมฆไปมาโอ้ยเพล น, นี้ยิ่งงงใหญ่เลยเใชหนูหนูก็งงแบบเพัดเมฆไปมาแล้วเขาก็บอกว่าอาวิชชาก็คือความที่เราไม่รู้ว่าฟ้านะ่ะมันใสอ่ายิ่งไปกันใหญ่เลยกันใหญ่หนูก็มันไม่เกี่ยวกับฟ้องกับฟ้าเลย อะไรเนี่ยหนุ่มก็เลยก็ามาถามอาจารย์เจ้ค่ะอ ว, วิชาก็คือการไม่เห็นตายรักไม่เห็นนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นสุขังอนัตตาเป็นนิจจังสุขังอนัตตาเห็นตรงการข้ามกันเห็นว่าเป็นขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนถาวรได้แฟนมาแล้วจะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเนี่ยนิจจังเนไ้ได้ลูกมาลูกก็จะให้ความสุขกับเราไปตลอด แต่ที่ไหนได้ได้ลูปมาเดี๋ยวลูปใหม่สบายขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาน่ะเป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะนความหลงมันจะหอกให้เราเหน็นทุกอย่างดีไปหมดได้นู่นมาก็ดีได้นี่มาก็ดีแล้วได้มาแล้เป็นยังไงเส็ยก็ต้องมาทุกข์กับมันนะไม่ช้าก็เร็วเจ้าค่ะนี่คือความหลงแก่ความหลงได้ก็จะแก้ความโลภความอยากนดะ้เพราะความโลภความอยากมันก็มาจาก มาจากความหลงพอไม่รลื่มไม่อยากได้ความโกรธก็ไม่มีถ้าเราไม่รลื่มไม่อยากได้แล้วเราไม่โกรธใครหรอกที่เราโกรธเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากก็ทาอย่างนั้นอยากก็ทำอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นจากเขาพอเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาที่เราไม่อยากเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนัตดได้อะไรมาก็ต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วไม่เอาดีกว่า เจ้าค่ะอืมไม่ไม่ใช่เมฆไม่ใช่ฝนไม่ใช่หมอกอะไรนะไม่ใช่ท้องฟ้าความรู้สึกในใจเราเนี่ยน ะ, ะ, ะหลุหลดแจ้งขึ้นมาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคมี<า>อะไรไหมไม่ไม่มีแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมวันนี้พระอาจารย์อธิบายดีดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพาาระคุณนะเจ้าค่ะโอเคในทบทวนให้ฟังเลยเว่าเข้าใจยังไงเข้าใจว่า ตันหากิเลสคือความอยากถ้าเรามีความอยากแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดให้ถ้าถ้าความอยากที่ที่เราอยากได้นั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันก็เกิดโทสะเกิดหลงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็คือกิเลสความอยากเกิดจากอะไรความอยากเกิดจากความที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ใช่ไหยใช่ค่ะคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังุ ตาเจ้าค่ะพยายามมองทุกอย่างให้เป็นนั้นถ้าเราเห็นนอนเป็นนั้นพ อ, อไปถ้าเราเห็นนอนเป็นตายรักเราก็จะไม่อยากได้เลยมันเป็นทุกข์ใครอยากจะได้ความทุกข์มาแต่มันสายไปแล้วได้มาถึงจะรู้วเวลาได้เไปเจอเขาใหม่ๆเขาดีแสนดีพูดจาหอมพอได้มาแล้วกลายเป็นด่าเราถีบแล้วชกเรานี่เจ้าค่ะอืม พยายามมอาให้เห็นทุกอย่างเป็นตายร่างก็จะไม่อยากได้นะอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างดีที่สุดความว่างนี่ปลอดภัยความว่างไม่มีโทษไม่มีทุกถ้าสิ่งใดมีเป็นสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวนั้นจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะมันจะต้องเสือ่อมมันจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปเจ้าค่ะกับ เนี่ยการนี้ก็บรรลุทําได้แล้วถ้ารู้สารตัวเนี้ยรู้กิเลสแล้วรู้ทําที่แก้กิเลสก็คือตายรักนี่ใช่เห็นมโอเคกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าไปที่ลูกตาลคุณหมอลูกตาลอย่างนี้เรียกเต็มยศนะคุณหมอศัตวแพทย์นวัสการขอบพระอาจารย์อืม เป็นยังไงได้ขาว่ามันก่อนมาช่วยรักษาหมาที่วัดด้วยเหรออ๋อใช่ค่ะอาจารย์เขาเขาโดนปลดเขาโดนปล่อยใหม่ค่ะแล้วก็พอดีโดนรถเหยียบค่ะก็ะเลยเอายาไปให้ค่ะอ่าดีนะนะสงสารค่ะแล้วก็เลยส่งส่งพวกยาไปไปที่ร้านร้านร้านน้องอ น, น้องอุ๋ยคคอ่าดีให้เขาช่วย <พอ S 1> ดูแลค่ะ ก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะอที่ว่านี่เป็นที่คนก็เอาของมาทิ้งเยอะม้านี่เวลาเขาไม่ต้องการมาก็เอามาทิ้งที่วัดเนี่ค่ะบางที่มาทิ้งทั้งครอบเลยทั้งแม่ทั้งลูกมาแต่อย่างดีว่าพอไปสอบถามแล้วยัมีคนเอ็นดูดูแลเวลาเจ็บป่วยเขาก็ป้อนยาได้ใช่ก็มีพ้าทั้งกอาเลี้ยงมีข้าวข้าวก้นบาที่เหลือทั้งเอาไเอาไปเลี้ยงมากก้ากันค่ะพระอาจารย์ บางคนพาไปเลีดยงหลังเขาเลแล้วก็มีบังคนก็มามามาเลี้ยงมาที่อยู่นอกวัดอยู่ที่ด้วยหลังเขาใช่ไหมอยู่ตามการนั้นใช่ใช่ค่ะตอนตอ น, ตอนที่ไปรับคุณแม่บนเขาชีโอนก็มีรถไปเลี้ยงตามทางเลยเก็ยังมีคนใจบุญอยู่นะแปลงดีค่ะมันเกือบทุกที่เลยค่ะพระอาจารย์เรื่องหมาถูกปล่อยอะค่ะหนูก็เจ จุดที่หนูเลี้ยงตัวนี้ก็มีมาปล่อยเพิ่มสี่ตัวเวลามันออกมาใหม่ๆก็น่ารักอยากจะได้ค่ะน้าหนสงสารนะคะพระอาจารย์เอามันโตแล้วมันไม่น่ารักแล้วมันก็เลยมาอยากจะเลี้ยงต่อค่ะก็ก็บอกน้องเขาไว้ค่ะว่ามีอะไรก็ให้บอกค่ะก็ถ้าถ้าถ้ามีมีปัญหาเจ็บป่วยก่อนที่จะไปหาพระอาจารย์ก็ส่งยาไปให้ทาำบษสนิทวันเดียวก็ถึงค่ะ ยุคแรกๆของวัฎยาเ น, นี่ยเขาสร้างคอกหมาไว้เลยใครใครเอาหมามาปล่อยเขาก็เอาเอามาเลี้ยงในคอกหมาแต่มันเลี้ยงแบบมันมันอยู่ในคุกอะ่ะแล้วเวลามันเกิดโรคระบาด ท, ที่มันตายกันเปนเยอะไปเลยเราเราเลยไม่เลี้ยงอืมตอนนั้นว่็ได้ข่าวว่าเห็นว่าทําทำํำคอกไว้บนเขาใช่ไหมคะทางขึ้นเขาอยู่ที่ป่าไม้อ อ, อยู่ในเขตของป่าไม้ที่ทําการอของป่าไม้ เพราะว่าหลายสิบปีก่อนหนูพาเด็กไปทัศนศึกษาแล้วมีคนเล่ า, าให้ฟังใช่ทางวันเขาก็เมตตาแล้วก็ต้องตหุงข้าวเลี้ยงหมาวันต้องเอาไปเลี้ยงทุกวันหุง ม, มากบา่วันทีก็อาศัยถ้าข้าวัดมีเหลือบ้างก็เอาไปแต่คงไม่พอ ถ, ถ้าเขาใจใ้เขาใจเขาต้องหุงข้าวหม้อใหญ่มาเล้ยใช่แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูแบบ กล้ชิด่มันอยู่ในอยู่ในคุกถึงเวลาก็เอาข้าวไปตัก ใ, ใส่ชามใส่ชามมันกินกนแล้วก็ปล่อยมันอยู่ไปอาเมนตามกรรมตอนหลังก็คนที่เขาสนับสนุนเนี้ยไม่ได้ทำก็เลยตอนหลังก็เลยเลือกทำปล่อยให้มันหากินอยู่มันเองตามบุญตามกรรมไปค่ะมันกับชอบอย่างนั้นมากกว่ามันจะได้ไม่ต้องถูกขังอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในกรง ไม่ต้องติดโลกระบาดด้วยอะไรใช่อหมหรือว่าปล่อยเขาอยู่ตามจุดต่างๆอย่างนั้นออกว่าครอย่างน้อยเขาก็มีอิสระภาพถ้าเขาจะต่ายเขาอย่างน้อก็ตายอย่างมีความความความเป็นอิสระภาพไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกกักขังอย่างที่เราเมตตาเขาคิดเอาว่าใส่กงขังไว้เราจะปลอดภัยแต่มันกลับกลายเป็นจับเขาติดคุกมากกว่านะอ๋อ แล้วบางทีทงก็ดูทูหมาตัวนังแก่อยู่หมาตัวแรกก็จะถูกหมาตัวใหญ่นังแกอ่อันในโกงออกโอกาสโอกาสที่เขาจะฉีกล่างกันก็มีด้วยค่ะหมาใหญ่ใช่มันอยู่ในคุกมันอยู่ในคุกตลาด น, นี่แหละผลจากการทําบาปเนี่ยทําบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปคนที่คิดว่าทำมาหากินเพื่ออยู่รอดเช่นอาชีพฆ้าเป็ดฆ่าไก่ฆ้าวัวฆ่าค้าฆ่าวัวค้าควายพวกนี้ ก็จําจเป็นถ้าไม่ทํำก็อยู่ไม่ได้ถ้าคิดแบบเนี้ยตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหนูก็ได้แต่คิดแบบเนี้ยค่ะว่าตัวที่เกินกําลังเราที่เราช่วยไม่ได้หนูก็ได้แต่คิดว่าเออเขาก็มีกรรมเป็นของตัวเองติดตัว ม, มาด้วยค่ะ<ต>ไม่งั้นช่วยไม่ได้เราก็ทุกทุกอีกทุกมากค่ะได้ทําทันที่เราทาได้ก็แล้วกัน เราช่วยคนมาสัตว์ทั้งโลกไม่ได้หรอกเชื่อเยอะไปหมดก่อนมาเจอพระจารย์นะทุกค่ะทุกเวลาตัว<ม>ไหนช่วยไมได้จะ ก, <ม>ก็จะเที่ยดเกิดความเศร้าใจอะไรเนี่ ย, ยนะพอมาได้พบพระจารย์ฟังธรรมะจากพระอาจารยนะ์เน<ม>ี่ยก็จะทําใจได้ไปเรื่องของอนิจจังต้องต้องช่วยแล้วเราต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกใช่ช่วยแล้วต้องมีความสุขถ้าทุกข์นี้แสดงว่าเกินไปแล้วเกิดตัญหาความอยากค่ะแต่ถ้าช่วยตามมีตามเกิดเราจะไม่ทุกนะ ตามกำลังของเราเรามีเท่าไหร่ทำได้ทเท่าไหร่แล้วก็ทำไปค่ะก็<ม>ช่วยแบบเราเราช่วยได้แล้วเราก็ได้บุญทำบุญทำทานติดตัวไปใช่ะเหมือนกับทำบุญกับผ้านี่ยอย่างที่พูดอยู่เรยคนเราเปรียบเทียบทำบุญกับผ้าและหันกับทำบุญกับหมานี่ได้บุญเท่ากันเขาะเขาไม่เชื่อนะเขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกความจริงเหมือนกันเพราะว่ามันมีมีคนมีมีคำสอนหนูก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์บอกว่า ทำบุญกับสัตว์เนี่ยได้ได้บุญน้อยทำบุญกับพระธรรมดาก็ก็ได้ระดับหนึ่งทำบุญกับคนธรรมดาก็ได้ระดับหนึ่นแต่ท่นนั่นบุญอีกอย่างหนึ่งนั่นบุญอีกอย่างใช่ค่ะบุญที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทำบุญนี่ต่างกันค่ะถ้าเราทำบุญกับามาม้ๆมันก็จะช่วยเห่าให้เราช่วยเฝ้าบ้านยเให้อืาแต่มันจะมันจะสอนธรรมะให้เราไม่ได้ถ้าเราได้ธรรมะเราต้องไปทำบุญกับพระอาหารนี่ยค่ะ เราไปทำบุญกับาหลานได้คุยกับพราหลานได้กาสอนทํามะให้เราอันนี้<ม>บุญอีกอย่างหนึ่งมันมีบุญสองอันที่ออเราได้จากการทําบุญบุญที่จากการเสียสละเงินของเราไปเนี่ยไม่ว่าจะไปให้ใครได้เท่ากันเ<ม>สียสละร้อยบาทให้กับหมาเสียสละร้อยบาทให้กับพะระหลานบุญอันนี้ได้เท่ากันแต่บุ ญ, บญที่จะได้รับจากพะระหลานจากหมานี่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันหมามันจะให้มันช่วยเห่าให้เราช่วยเฝ้าบ้านให้เรา ก็เหมือนเป็นผลเหมือนกับว่าถ้าเราทำมุนกับพระอาหารหันเราก็อาจจะได้การบรรลุธรรมใช่เราอาจจะได้ความธรรมและเข้าใจแล้วก็บรรลุธรรมได้เลยก็มีก็มีค่ะแต่มาแต่ว่าก็คือเปรียบก็คือเป็นการทําทานเหมือนกันแต่ว่าผลที่เราได้รับมันก็จะต่างกันใช่มันมีสองสองผลอย่างผลที่จากการเสียสละเงินทองเชื่อเลือดทานนี้ไม่ว่าจะทํำกับใครได้เท่ากันหมดได้ไปสวรรค์ชั้นเดียวกันหมดค่ะ แต่ถ้าทําบุญกับผ้าลายพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นถ้าเราบรรลุเป็นผ้าโสดาบันนี่เราก็ขึ้นไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราไปเป็นผ้าโสดาบันแทนอันนี้เกิดจากคนที่เราไปทําบุญด้วยไม่ใช่เกิดจากเงินที่เราถวายไปค่ะเราไปทําบุญกับผ้าที่ไม่มีมีแั่ศีลไม่มีสมาธิเขาก็จะสอนเรื่องศีลให้เราได้แล้วเองใช่ ถ้าทำบุญกับพระที่มีมีสมาธิเขาจะสอนวิธีนั่งสมาธิให้เราได้นั่มันก็มีบุญถ้าถ้าอย่างนี้บุญที่เราจะได้รับจากคราวนี้มันจะต่างกันขึ้นไปพระธรรมดาก็ได้สิบเท่าพระที่มีสมาธิก็ได้ร้อยเท่าพระที่มีปัญญาเป็นพระโสดาบันก็พันเท่าหมื่นเท่าขึ้นไปตามลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าออันนี้บุญที่เราจะได้รับจากพจากผู้ที่รับของของเราไป ผู้ที่รับความช่วยเหลือจากเราไปแต่บุญที่เราได้จากการเสียสละเงินของเรานี่ได้แค่สวรรค์ชั้นเทพเท่านี้นเไม่ว่าจะให้กับใครก็ตามค่ะอาจารย์เข้ า, จ า, ขาใจละค่ะเออานะมันมีสองบุญแต่ส่วนใหญ่บางทีเราพูดกันพูดแบบนุ่มๆบางทีก็พูดแต่เรื่องบุญเดียวคือบบุญที่เกิดจากการให้ของเร า, าแต่ไม่ได้พูดถึงบุญที่เราจะได้รับจากคนที่รับจาก จากเราว่าเขามีอะไรให้เรากลับคืนมาก็จะมาได้ยินจากที่พระอาจารย์สอนเนี่ยค่ะเออโดยทั่วไปก็จะได้ได้ยินแบบสอนแบบรวมๆอันเดียวแล้วบางทีเขาก็พูดถูกแต่มันก็ไม่มันทําให้เข้าใจผิดได้เขคิดว่าอย่างนี้คนที่จะเลือกทําแต่พระกับพระอย่างเดียวไงไม่อยากจะทำกับคนอื่นที่เขาตอบทุกได้ยากเดือดร้อนเราก็จะทําให้เข้าใจผิดพราต้องทำกับพระอรหันต์เราถึงจะได้บุญๆุศลเยอะ แล้วก็ชอบพูดอีกแต่เราทําบุญกับผ้าร้านใส่บาศเสร็จแล้วเรากลับบ้านนก็เหมือนกันนะไม่ได้ฟังธรรมก็เหมือนกันะเหมือนเหมือนก็ไม่ได้ทําบุญกับผ้าล้านใช่ไหมค่ะต้องฟังธรรมแล้วนำมาปฏิบัติเอ่นั่นแหละอาจารย์้วน่ะ มีบุญสองมีสองอย่างนั้นการทําบุญนี่บุญที่เกิดจากการให้ของเราแล้วบุญที่เกิดจากผู้ที่ให้ที่ที่รับของของเราจะให้เรากลับคืนมาอยู่ที่ว่าเขามีอะไรก็มีธรรมะเขาก็จะให้ธรรมะกลับมาเขามีหวยเขามีเลขเขาก็จะให้เลขมาอันนี้ต่างกันนะแล้วแต่<ะ>ความสามารถของแต่ละคนก็จะมีอะไรให้เราเขาก็จะให้เรา ค่ะผาจาย์โอเคมีอะไรอีกไม่ไม่ไม่มีแล้วค่ะอาจานโอเคสาธุขอบคุณค่ะช่วยกด้ต่อไปนะใครตกทุกได้ยากไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นพระหรือเป็นอะไรก็เหมือนกันช่วยค่ะผาจานจะยไปสวรรค์ไปสวรรค์ได้เหมือนกันเท่ากันอันนี้ก็โอนเงินไปช่วยทางภาคใต้ค่ะอดีสาธุเนาค่ะมุตนา อา้าวจ้ะนี่ถามคนจี้ภาคใต้บ้างเป็นยังไงบ้างนาราที่บ้า น, าาานคุณสามท่วมมไหมที่บ้านเตี่ยมเพอนวัฒ ก, การค่ะพระอาจารย์อ๋ออำเภอยมยังไม่มีน้ําท่วมนะคะมีแค่ฝนตกบ้านยมยังไม่มีปัญหาค่ ะ, อ, อ, อ, ะอ่ายังปลอดภัยอยู่นะอ่าแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้คืออาหารการกินเริ่มเริ่มไม่ขัขนไม่แคลนใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังยังอยู่ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าที่ในห้างเนี่ยพวกอาหารพวก พวกอาหารสดนี่ไม่มีนะคะไข่อะไรเงี้ยก็คือขาดอาหารน้ำมันก็ตอนนี้ก็เริ่มอยู่ได้ไม่ไม่นนกี่วันนะคะตอนนี้ก็เริ่มเติมน้ํามันเก็บเอาไว้ค่ ะ, ค ะ, ะอบำรงเรือวบำรงก็ออกงนไม่ได้ก็มไม่ออกค่ะเพราะว่ามันลื่นสูงค่ะปลานี่ต้องปลานี่ไม่มีแล้ว <ul m. S 2> ตอนนี้ก็ไปใช้ที่แต่มันก็ยังอยู่ได้ค่ะยังไม่ทุกแบบทางเขาเรายังยังอยู่ได้ค่ะยังไม่อด<ห>ยาขาดแคลนนะไม่ค่ะไม่ๆม่ <Middle. S 2> ยาใช้ทั่ปกติคะ่ะเท่าทุกอย่างได้เพียงแต่ว่าเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนประเภทอาหารมาเท่านั้นจ้ะมมีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดไปใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังยังถือว่ายังยังได้ผักผักแต่มันขึ้นราคาเพราะผักมันมาไม่ได้ไงคะจ้ะค่ะบ้านยมก็ยังไม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่ะยังไม่ปัญหาเรื่องฝนตกก็ยังเบาวกว่าพระจังหวัดอนค่ะพราะอำเอําเภอแวงมันเป็นติ่งอยู่ข้างล่างค่ะมันจะไม่โดนเยอะค่ะ เคยโดนนั่งไม่ที่ต่างๆแบบท่วมแบบพันใหญ่เคยไม่ไม่มีไม่มีค่ะทีนีน้ำท่วมขังอย่างดีแค่แค่วัน1นวันที่สองก็ระบายลงแล้วค่ะไม่เคยมีท่วมขังเป็นอำเภอที่โชคดีค่ะอาจารย์ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้อ่ามัก็ดีไปนะค่อเป็นมงคนอย่างยิ่งโดยาฉหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมค่ะแต่ว่าคือ มันเป็นธรรมเนียมของที่นี่ค่ะเป็นมันเป็นสถิติว่ามันจะต้องท่วมสารอบค่ะอาจารย์นี่รอบแรกก็แค่ปลิ่มๆไม่มีปัญหาค่ะที่นี่เราจะรู้กันว่าต้องท่วมสามครั้งก่อนแล้วก็จะหนักประมาณช่วงธันวาค่ะที่นี่นะคะอ๋อค่ะมันจะ เ, เาเนยังต้องรออยู่นอดูจังหวะนะค่ะแต่ก็ไม่ไม่มีผลกระทบมากค่ะอาจารย์ถ้าว่าทางถ้าทางหัดใหญ่มาถึงนี่ได้เราก็จะไม่อดค่ะแต่ตอนนี้หาดใหญ่มาไม่ได้เราก็จะ ต้องต้องระวังเรื่องอาหารนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลกระทบเรื่องอะไรผักเราก็เปลี่ยนมาเป็นผักที่มีในพื้นที่อย่างนี้ก็ได้ค่ะอืก็เลยอยู่ได้ค่ะไม่ไม่ได้เดือดร้อนน้ําก็ฝนก็ไม่ตกมากค่ะจ ก, กินน้อยหน่อยก็ได้นะกินนอนมื อ, <laughs> <laughs> อยวก็ยังมือเดียวเหมือนเดิมค่ะจันบ า, างทียังยังไม่เติมข้าวเหมือนเดิมค่ะตักแค่ไหนก็เท่านั้นเหมือนเดิมค่ะยังโอเคคี่น่าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องการกินค่ะ แต่ก็ยังเป็นกิเลส ข, ข้อนึงของโยมอยู่ค่ะเรื่องการกินเยังเป็นกิเลสอยู่แต่ว่าโยมก็พยายามตัดบางทีพอไปในใ น, ในหลานใช่ไหมคะพอเอื้อมือจะหยิบน้ำหวานอาจารย์บอกว่าถ้าหวานแล้วกินให้สุดชื่นมันคือกิเลสชะ ง, งักมือไว้ค่ะน้ำเปล่า <c oughs> เดือน้ำเปล่าใ ช, ใช่ค่ะคำของอาจารย์มันพอพอจะหยิบปุ๊บมันเป็นมันเป็นน้ำหวานกินเพื่อให้ความสดชื่นมันคือกิเลสเอาก็ชะ ง, ง, งักค่ะอาจารย์มันก็เลย มัเหมือนกับฟังชิปไปเรื่อยๆค่ะฟังอาจารย์ไปมันก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นการเสพรสไงรสใช่ค่ะแต่ว่ามันยมยมมีความรู้สึกว่าตอนที่ยมขึ้นเขานะคะยมไม่มีของหวานไปเลยไม่มีน้ําตาลเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันมันไม่สดชื่นแล้วบังเอิญว่าหยิบน้ําตาลทองมาจากโรงแรมมาค่ะปกติยมจะให้คนขับรถใช่ไหมคะแล้วยมไม่ได้ให้เขา โยมก็เรามาเทชงน้ํามันสดจริงๆนะคะใช่มันติดนี่มันติดน้ำตาลเนี่ยป็นยาเสพติดอย่างนั้นก็เลยอืมเออมันก็เป็นอย่างจริงๆเนาะก็เลยมันติดมันปัญยาเสพติดถ้าเราเลิกเสพมันมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาค่ะแต่ชากาแฟโยมเลิกตั้งแต่อาจารย์พูดประมาณสามปีกว่านะคะเลยเลิกแต่ยังเหลือช็อกโกแลตอยู่ค่ะจะยังอแอบก็ยังยังพยายามให้น้อยลงค่ะเอ แต่ว่าถ้าอยากจะตัดกินเลยก็ต้องเออเลิกหมดเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้พยายามน้อยค่ะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆบอกว่ามันไม่จําเ yes, ป็นแล้วก็หยุดนะแต่ว่าโยมว่าพอเดินเข้าไปจะหยิบขนมมันม mm. ันมันจําเป็นไหมไม่จําเป็นเอาหยุดวางมันเหมือนกับพอไปซื้อนี่มันใช่ไหมมันจําเป็นมัมเอาก็วางค่ะอาจารย์โยมโยมมีหนึ่งคำถามนะคะโยมขออนุญาตค่ะอาจารย์คือทุกครั้งที่เวลาโยม นั่งภาวนาใช่ไหมคะยมจะแยกร่างกายตามอาการสามสิบสองเพื่อความสงบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพอเราแยกแบบนี้ได้เราสงบแล้วเนี่ยเมื่อเราถอนออกจากสมาธิเราควรจะมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีร่างกายอยู่จริงแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เห็นว่าเรามันแค่เป็นดินน้ําลมไฟที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็แยกตัวกันไป ร่าง ก, กายนี้ก็หายไปเหมือนเหมือนเหมือนไอติมเนี่ยที่มันอยู่ในตู้ก็เป็นเป็นถ้วยเป็นอะไรเป็นมีรูป ม, ลปมีล่างเห็นไหมพอมาวางไว้ข้างนอกพอเจอ ค, นอนความร้อนติ้งไว้สักพักมันก็ละลายกลายเป็นน้ำไปหมดยมยมเพิ่งมาฉุกใจเมื่อประมาณสองสวันที่ผ่านมาพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาส่งเทปมาให้ฟังแต่ว่ายมย ม, ยมก็จะไม่ฟังทั้งหมดแต่ยมมาฉุกใจตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันต้องวางร่างกายให้หมด ยุ่มก็เออเนาะความจริงเราก็แยกล่างออกไปหมดแล้วแต่เราไม่ออกมาคิดข้อ น, นี้แล้วขณะที่อาจารย์สอนจามันกับจัตตี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าให้ดูเนาะไม่มีตัวตนทำํำไมเราไม่เก็บคํานี้มามาสอนใจเราเหมือนกับฟังชิปให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นอย่างนี้มันปุ๊ครั้งน่ า, าแก้วริช า, รายังมองเห็นว่าเป็นตัวเราอยู่ค่ะคือมันมันไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเรานะคะเรารู้ว่าเออมันเราไม่มีตัวตนแต่มันไม่ตระหนักมันไม่เกิดทุกครั้งที่เราคิดนะคะอาจารย์ มันต้องฝังให้มันเป็นเหมือนกับว่าฝังมันฝังชิปไปเลยแบบนั้นใช่ไหมคะฝังความจําลงไปเลยแบบนั้นก็ทุกครา้งเห็นเนี่เห็นเป็นดินน้ําลมไฟไปเลยออไม่ใช่เห็นอุตสาไม่เห็นจัดที่จะแมัดอะไรมันเป็นแค่ก้อนดินน้ำลมไฟมันรวมตัวกันเป็นอาการสามสิบสองอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่<อ>แต่คือโยมโอ้ยเราพลาดไปตรงนี้เราทําไมเราไม่ดูตรงนี้ต่อเราคิดไม่เป็นไงเราพิจารณาไม่เป็นสาธุค่ะ ใช่พอยมมาฟังปุ๊บยอมมาฉกใจเออเนาะแสดงว่าเมื่อเราออกจากสมาธิมาเมื่อไหร่เราจะต้องคิดเลยว่ามันไม่มีตัวเราอยู่จริงแต่ว่าตอนยมก็รู้นะคะว่ามันไม่มีตัวเราแต่มันไม่มันไม่เหมือนกับตลอดเวลาเราต้องคิดจุดตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะอย่าคิดจนกระท<ล>ั่งมันมันฝังอยู่ในใจนะพอเห็นทีไรก็เห็นปุ๊บเดียวปุ๊บเดียวมันก็เห็นเลยพอเห็นปุป๊บเอ่อดินนั่นมันไฟแต่ตอนนี้คือโยมก็แค่มอง มองไปก็คือเป็นกระดูกกระดูให้เป็นกระดูกแต่มันยังไม่มาโยมต้องมาให้ฝึกให้มากกว่านี้ใช่ไหมคะจันจนต่อไปเห็นโลกทั้งโลกนี้มีแค่ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรหลอใช่ค่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมรู้สึกว่าเออโยอมรู้สึกเริ่มเริ่มเบื่อคนอื่นเริ่มเริ่มเบื่อสังคมเริ่มเบือ่อโยมว่าเอา้านี่เราเริ่มไปเบื่อเขาเราเป็นกิเลสของเราหรือเปล่า<ม> จ, จริงเราต้องมาแก้ที่ตัวเราแล้วก็โยมรู้สึกว่าพอมองไป มันโดดเดี่ยวนะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องโดดเดี่ยวอยู่แล้ววันหนึ่งถ้าเราไปเราก็ต้องไปลำพังอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะอาจารย์ว่าอ๋อมันดูแบบเออมันมั น, มนไม่มีอะไรอยู่จริงๆเลยเหรอคะอาจารย์รู้สึกไม่มีอะไรนะเราไม่ได้เป็นของเหล่า น, นี่เราไม่ได้เป็นน้นไฟเราเพียงแต่มาครอบครองมันไว้ชั่วคราวเราเป็นใจ เราไปหลงที่ว่าเป็นตัวเราของเราหลงว่าเป็นนายนู่นนายนี่เป็นพี่เราน้องเราเพื่อนเราแฟนเราอะไรหลงไม่หมดถ้ายริงก็เป็นหลงก้อนดินน้ําลมไฟค่ะโอเค่ะอาจารย์ยมจะต้องเอามาต้องต้องมาฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นใช่ลองให้มันเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือ น, นกับไอติมกนะ็ได้เปิดตู้เย็นที่ร้านขายมีไอติมเยอะแยะไปหมดมี ต้นนั้นรถ น, นี้ก็เหมือนคนเนี่ยคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้แต่มันกาเป็นไอติมเหมือนกันเะ้าใจไหมค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์อสุนทนากับคุณหมอลุกตาลกับคุณแม่ค่ะยงก็เข้าใจว่าอ๋อทานมันเป็นสองแบบเข้าใจให้เข้าไปคือทานที่เราให้แต่สิที่เราได้รับกลับมาเนี่ยจะต่างกันไปตามที่ว่าคนที่เราทานด้วยเขามีอะไรให้เรา ได้ค่ะอันนี้ต่างกันค่ะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์จะต้องทําให้มากขึ้นการทำให้กครพวกนี้คิดกันเองไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้ไปเรียนจากใครมาเนี่ยเราก็นั่งคิดของเราไปเนี่ยปัญญาอาจารย์กับปัญญายโยมมันต่างกันนะอาจารย์แล้วก็ไม่เคยไปเปิดหนังสือพลาไตรเบโดข้าหาคําตอบเหล่านี้นะมันก็คิดของเราอยู่ภายในใจไปนะ บางทีเราคิดแต่ว่าเราไม่มั่นใจไงคะอาจารย์ว่าเฮ้ยเราเราถูกหรือเปล่าแบบนี้ค่ะก็ยมก็ไม่ค่อยอ่านค่ะอาจารย์คนอื่นยมตอนนี้ยมไม่อ่านตําราคนอื่นไม่อ่านหนังสือคนอื่นยมเอาแต่อาจารย์เป็นเป็นสารณะเลยค่ะยมจะไม่ฟังท่านอื่นเทปไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ประมาทท่านนะคะต่อแล้วไม่ตรงอย่างที่เขาส่งเทปมาให้ยมเนี่ยยมว่าไม่ตรงกับที่อาจารย์สอนยมก็จับแค่ประเด็นว่าเราต้องวางแค่นั้นเองยมไม่เอาทั้งหมดค่ะแล้วยมจะไม่ฟังเยอะค่ะยมยมจะ จับอาจารย์เป็นคี่ตั้งอย่างเดียวเหรอคะใครชวนไปไหนก็ไปเถอะไม่ไปแล้วจมอย่างนี้ตรงนี้แหละใช่แล้วไม่ไปแล้วไม่ไปหาแล้ว ะ, ะอาจารย์โยมตรงนี้ที่เดียวใครชวนไปไหนโยมไม่ไปเขาชวนไปกรุงเทพบอกไม่ไปไม่สะดวกอค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะโยมขอบพระคุณสาธุอ่าไปเที่ยุณแนนต์ต่อนานดุดรนธา น, านีเป็นยังไง น้ำบบการน้ำมศกาค่ะพระอาจาจรย์สบายดีเจ้าคะ่ะลูไม่มีคําถามจ้าค่ะโอเคอ่าไปที่ปูเป้เชิญคุณปูเป้ถามน้ำมการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะยอชัดเจนจ้ะเจ้าค่ะป๋าลูกค่ะอหนูก็ลุยทํางานเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันไม่ค่อยรู้สึกทางกายพระอาจารย์เจ้าคะหนูฟังทรรพระอาจารย์ทุ ก, ททกบ่ายสองะค่ะ ดีหนูฟังตรงประเด็นบุญกับบาปอะค่ะพระอาจารย์แล้วประเด็นหนูเคยลดความก่อนที่หนูจะมาพ่าสมองหลายรอบค่ะพระอาจารย์ก่อนหนูจะฟื้นขึ้นมาตอนลดความค่ะพระอาจารย์หนูเหมือนฝันไปถามโดนคงถามถามเรื่องเคยทําความดีอะไรมาค่ะพระอาจารย์ถามเรื่องเรื่องบุญกับบาปนี่แหละค่ะพระอาจารย์หนูตกใจนะคะพระอาจารย์หนูไม่มีสติ ในการตอบนะคะพระอาจารย์หนูกลัวจะ ต, ะตกนรกอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้มีแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก่อนที่หนูจะฟื้นขึ้นมาแล้วหนูก็ลุยปฏิบัติตอนที่หนูพอมามีชีวิตหนูก็ปฏิบัติทำเลยค่ะพระอาจารย์ช่วงหนูเคยลดความค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ปฏิบัติมาแบบยังแบบติดในรูปลดกินเสียงอยู่นะคะพระอาจารย์จนมาได้ฟังธรรมพระอาจารย์เนี่ยแหละคะ่ะก็เลยได้โอ้เห็น รูปทางจริงๆเลยนะคะพระอาจารย์ก็เลยได้ของดีค่ะจากการฟังธรรมแล้วก็มาหลยปฏิบัติครับอาจารย์อฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องนำไปปฏิบัติละบาปทำแต่บุญชําระจิตใจให้สะอาดบริสุดธิ์ใค่ะพระอาจารย์ก็<ม>ตรงนนตรงนี้ก็เลยงานที่พระเจ้ามอให้พวกเรามีแค่สามกองละการการะ ท, ทําบาปต้งปวงสร้างกุศลสร้างบุญให้ถึงพร้อม ธรรม ะ, ะจิตใจให้สะอาดบริสุดจริงค่ะเราก็ได้เห็นธรรมะโอสถของจริงทางใจคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะจะบอกคนอื่นไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเองคะ่ะถึงสัมผัสได้คะ่ะพระอาจารย์ ม, มันเป็นของดีเลยล่ะคะ่ะทั้งให้แบบโอโนลีทํา ง, งานต่อได้เนะะี่ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันต้องเข้าสมาธิปฏิบัติเลยล่ะคะ่ะพระอาจารย์ตรงนี้ยราได้ของดีไม่ได้แต่พระ اء, พุทธเจ้าเขาปฏิบัติให้เราไม่ได้อือ อยู่เกาะชายพระเหน่งพุทธเจ้าทําให้ปฏิบัติก็เหมือนก็ไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะโอ้โหเลยแบบปาร์ตของดีจริงๆคืออันนี้เป็นเรื่องที่แบบคิดสุดได้เนี่แหละคะ่ะจับตัวเองที่มีร่างกายมีปัญหาค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โหของดีหนูตอนแรกหนูก็สงสัยนะคะธรรมโอสถเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่ได้มีแต่เรื่องยากินรักษาร่างกายแต่ไม่เคยยาที่รักษาใจจริงๆเป็นแบบไหนยังไงค่ะพระอาจารย์ พอปฏิบัติธรรมก็เลยโอ้เป็นการได้ของดีจากพระธรรมเลยนะคะการปฏิบัติธรรมแล้วของดีจริงๆต้องพิสูจน์เองต้องมันก็ได้เห็นผลจริงค่ะพระอาจารย์สทิติโกงเหรอพรทอาจาธรรมะเป็นสันทิติโกผู้ปฏิบัติ <Okay. S 1> ย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองย่อมรู้ได้ด้วยตนเองจริงอาจารย์ <Okay. S 1> พออ่านหนกูนก็ลดหนูก็ลดความแล้วก็มาผ่าสมองหลายรอบแล้วพอได้ฟังธรรมแล้วรุ้ปฏิบัติธรรมเลยเห็น จริงเลยค่ะพระอาจารย์มีจริงอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่อะไรคุณปุ้ยต่อคุณปุ้ยอ่านวีดีโ่ว่าเปล่าเนี่อันนี้เป็นเป็นการอ่านหรือเปล่ากล่าวนะว่การจบข่าพระอาจารย์วิ่ไดาเหมือนกันทุกทีเลยเนี่ยพูดเหมือนกันทุกทีเลยอ เออวันนี้ไม่เหมือ น, น, น, นพระอาจารย์พระอาจารย์โยมอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โยมกล่าวพระอาจารย์เวันพุธแล้วก็โยมก็ตั้งใจปฏิบัติเพราะวันพฤหัสเป็นวันพระโยมไม่ได้เอออกไปไหนเพราะว่าโยมจะออกไปก็แค่พาหมาไปทําธุระแค่เนี้ยเี่ยเพราะว่ามันมันจังหวะ ด, ดีสงสัยโยมจะมีบุญมันจังหวะ ด, ดีหิมะมันตกแล้วเอ ฝนมันตกด้วยโยมก็เลยไม่ได้ไปไหนโยมก็อยู่บ้านปฏิบัติมาแล้วโยมโยมบอกว่าโยมจะทําให้ได้ห้าวันแล้วโยมก็ทําได้จริงๆโยมทําถึงวันจันทร์เลยค่ะพระอาจารย์อโยมไม่ผิดศีลเลยโยมปฏิบัติดีมากโยมนั่งสมาธิแล้วมันนิ่งค่ะมันรู้สึกใจมันสบายแล้วโยมก็เหมือนกับที่พระอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้ออกจากสมาธิ ให้ให้พิจารณาการตายให้พิจารณาอาการสามสิบสองยมทำยังไงแต่มันยมมีปัญหาตรงที่ว่าเวลานั่งสมาธิมันเหมือนอะไรมีมติติติติติคอโยมอย่างเงี้ยติเลสมาชติเสมาใช่แล้วพอพอสักพักหนึ่งประมาณสักสี่ห้านาทีมันก็โอเคหายไปแด้แต่ยมทำนั่งนั่งสมาธิกับพระอาจารย์นะทุกเช้าน่ะเออ รู้สึกสบายค่ะและทีนี้โยมก็ไปหาคลิปของฝรั่งอะ่ะเขาเขาจะถอดเอ่อร่างกายออกคือคือเขาจะอสอนเป็นเป็นคลิปของคนฝรั่งอะ่ะเขาเหมือนกับคนตายอะ่ะร่างคนตายเวลาเราฝังไปแล้ววิญญาณออกไปแล้วหลังจากตายไปแล้วเจ็ดวันตายไปแล้วสิบวันตายไปแล้วหนึ่งเดือนสามเดือนเป็นอย่างไรเออโยมรู้สึกโร่งได้เขาเออว่าะคนเรามันไม่มีอะไรเลย ก็เป็ น, ปนแค่ดินน้ำลมไฟเหมือนไอติมนะร่างกายเราเหมือนไอติมเหมือนนั่นก็ละลายไปกลายเป็นจริงค่ะโยมโยมบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกที่สุดเลยโยมก็เลยบอกว่าเออโยมรู้สึกพอโยมเป็นคนที่ขาช็อปเลยนะค่ะพระอาจารย์โยมเนี่ยช็อปปิ้งเนี่ยน u m b e r one เลยตอนนี้โยมรู้สึกถอยเลยตั้งแต่อยู่กับถือสีนแปดมากับพระอาจารย์สามปีนี้คือโยมถอยมากเรื่องช็อปปิ้ง แล้วโยมก็รู้สึกวันนี้ดูข่าวเมื่อวานดูข่าวแล้วรู้สึกใจหายเกี่ยวกับชาวใต้โยมก็เลยบอกว่าหือน่าสงสารจังเลยไม่รู้มันเป็นอะไรโลกนี้มันทำไมเปลี่ยนแปลงขนาดนี้โยมก็เลยอันนี้จังไลยครับเปลี่ยนแปลงการนี้จังอ น, นันาตาก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้โยมก็เตรียมบอกกับลูกโยมว่าเนี่ย ฉันนะ่ะถือปฏิบัติธรรมแล้วนะฉันไม่ใช่คนบ้าแต่ว่าฉันเตรียมตัวตายฉันไม่อยากลงนรกฉันจะไปสวรรค์แล้วเออเราก็เตรียมไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วว่าอะไรจะเป็นของเขาอย่างน้อยเวลาเราไปแล้วเออแบบเหมือนกับฝรั่งเขาพูดว่าสามเดือนหนึ่งเดือนแรกคนก็จะร้องไห้พอเปิดสมบัติปุ๊บเนี่ยหลังจากร้องไห้ก็จะเป็นยิ้มอะไรอย่างเงี้ยยมก็เลยแบบว่าโอเคยมบงแล้วค่ะเพราะว่ายังไง เขาคือคนในโลกนี้มันไม่มีการจดจำเราหรอกแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาจดจำเราแต่เราเอาแค่ความดีไปดีกว่าคะ่ะเอาความดีติดตัวไปเอาธรรมะเอาเมตเอากุศลไปยมยมฟังพระอาจารย์คลิปที่ยมฟังประจําคือยมรู้เลยว่าเออเราอาจจะรีพิทคําทุกคําของพระอาจารย์ไม่ได้แต่เราเข้าใจค่ะแล้วยมยมขอ โยมขอเข้ามาเมื่อสองคืนที่แล้วโยมโยมนั่งฟังพระอาจารย์แล้วก็โยมก็บอกคือมันมันแบบมันอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลสอะ่ะมันมันมันเล่นโยมให้โยมนั่งมันนั่งหลับอะ่ะแล้วอย่านี้โยมก็เลยบอกพระอาจารย์ขอนอนุญาตนอนนอนสมาธิโ <c oughs> ยมก็เอาเนี้ยใส่หูแล้วโยมก็นอนนอนสมาธิไปแต่เวลาตื่นขึ้นมาเหมือนโยมนั่งสมาธิจริงๆนะพระอาจารย์มันแปลกมากเลยอะ่ะแล้วแบบโยมก็รู้สึกสดใสค่ะ มันมันและยมก็กินข้าวมือเดียวเหมือนอย่างับที่พระอาจารย์ทำอย่างนี้งงยมไม่กินตอนเย็นยมก็อยู่ได้ยมสามปีเนี่ยยมทำมายมก็อยู่ได้ยมก็คิดว่าคงจะทําตลอดมายมก็ขอพระพุทธเจ้าช่วยยมให้ยมมีจิตรักจากการกระทาบาปทุกประการ <Okay. S 2> ค่ะโ <ท dafür. S 2> <ะ>อเคสาธุสาธุครมก็ยมบาปที่บาปตัญญ ค่ะพระอาจารย์โยมลืมวันเกิดโยมเดือนเนี้ยโยมจะมาขอพรกับพระอาจารย์ค่ะโยมลืมเลยว่าวันเกิดโยมขอทำไมพมพรที่แท้จริงอยู่เราต้องไป็นคนให้ตัวเราเองคนอื่นให้เราไม่ได้โยมให้ให้ทุกวันเลยพระอาจารย์โยมมีเรื่องพรุ่งนี้โยมต้องไปคอนโทรนนะขอให้โยมผ่านนะลูกชายโยมก็จะไปสอบด้วยขอให้ผ่านนะอ่าไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงโยมจะมากราบถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุแล้วก็โยมก็จะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยที่เป็นครูบาอาจารย์ให้กับโยมสั่งสอนโยมค่ะสาธุสาธุขอพัสนาต่อ กลับนมาสักการค่ะพระอาจารย์ก็ยังคงปฏิบัติแล้วยังอยู่กับปัจจุบันได้แล้วรู้สึกว่าเป็นสงบมหาพระอาจารย์ไปที่ไหนก็ได้ทําทําอะไรก็ก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่ยึดก็คือค่อยค่อยปล่อยวางแล้วไม่ติดกับสเก็ตดูมากเกินไปไม่ได้เนี่ยไปที่ไหนไปได้แล้วไม่ไปไม่ไปเลยได้ไหมอะไรนะไม่ไม่ไปไหนเลยได้ไหมอ๋อได้พระอาจารย์มัง่งสมามึงจริงๆไม่ไปไหนเลยก็ได้แต่ว่าคือตอนเนี้ยดูแลคุณพ่อเพราะว่า ก็ S <S> ตอนเป็นดีเหลี่ยมแล้วก็แบบ อ, อาจจะอาจจะค่อยๆเริ่มเป็นอาลสซเมื่อก็คือเราจะว่างที่สุดเงี้ยไม่ทําะไรแล้วก็เลยทำอย่างหนึ่งไม่ได้คือไม่ไปไหนไม่ยังยังทําไม่ได้อืไปไหนได้อยู่ทุกแห่ง ท, ทุกคนไปได้หมดแต่ไม่ไปไหนเลยยังทําไม่ได้ยังไม่ได้อ๋อค่ะเข้าใจค่ะพอาจารย์เออพระอาจาร <S <S> <S ย์ะอย่างงี้ถ้าเราดูแลพระอริยะในบ้านอืมแันที่มันมันก็คือเป็นการติดใช่ไหมพระอาจารย์เพราะมันเหลือเราคนเดียวเพราะพอน้องสองคนมันสามคนเนี่ยฮะ จะเราว่างสุดแหละอืมก็ท่านดูแลพ่อแม่ได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไปแต่แตว่าต้องทำนะคะวันปฏิบัติวลาดูแลก็ปฏิบัตาาินะพาคุณพ่อไปวัดอืมไปเล่นเล็กเที่ยวแบบเวลาคุณพ่ออยากไปเที่ยวก็อ่าบอกคุณพ่อว่าถ้าไปก็ต้องไปวัดด้วยไปทําบุญคืออยากอย่างน้อยๆถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ทําบุญก็ยังดอืมแต่ตัวเองก็ทาําลอดแล้วว่าจะพยายามอยู่ในอยู่ในปัจจุบันแต่ยังยังไม่ทําเต็มที่ไงทําเต็มที่ต้องมันต้องไม่ไปไหนเลย ใช่ต้องไม่ไปไหนเลยอ่ะแต่พยายามตั้งใจทําำแบบนั้นให้ได้พระอาจารย์เพราะว่ามันตั้งใจเขาเข้าใจที่ว่าอาจารย์พูดนะคะแต่จริงๆอยู่ได้พระอาจารย์อยู่ที่เดียวได้เพราะว่าไม่ต้องการอะไรแล้วมันไม่อยากได้อะไรคือมันพูดได้แต่ยังไม่เตี้ยนทำไม่ได้ไม่ได้ค่ะอืมได้พระอาจารย์เดี๋ยวเราําให้พระอาจารย์ดูเดี๋ยวค่ใคย่อยค่อยยืมเวลาอยู่ที่เดียวอ่าพระอาจารย์ ก็้าใจเหรอเราพอพถ้าทำตรงนั้นได้ก็มันก็จะดีไม่ก็พูดก็พูดให้ชัดเบ้างเพราะโยมอาจะคิดว่าไปไหนทําได้ทุกอย่างอยู่ที่ไหนก็ไปไหนได้แต่การไปนี่มันก็เป็นกิเลสได้เลยไม่รู้สึกตัวจริงๆก็เป็นกิเลสได้จริงๆโอ้มีไปข้างนอกไปมันก็ได้เห็นสัตว์ป่กับสถานที่ต่างๆลูกเสียงกินรถชนิดต่างๆไปเพื่ออเยยรงาาหร อาหารนะคุณครูอาจารย์เพราะว่าพาคุณพ่อไปกินพาพาคุณพ่อไปเลี้ยงใช่ไหมอาหารมันก็จะเป็นอาหารที่ดีคือถ้าเราเทียบถ้าเราอยู่วัดปุ๊บเนี่ยมันเลือกไม่ไดแ้แน่แต่ว่าถ้าเราพาคุณพ่อไปเลี้ยงอันนี้เข้าใจว่ า, าว่าพาคุณพ่ อ, พ อ, อาพอที่บ้านตานี่พาไปอยู่กับหลวงตาท่านไม่ให้ไปไลเลยแม้แต่กินนิมนต์ก็ไม่ให้ไป อ, อยู่แต่ในวัด น, นอกจากตอนเช้าไปบิณฑบาตอย่างเดียวเสร็จก็กลับเข้าวัดภาวนาอย่างเดียวอยู่ที่เดียวอืม ปิดประตูขังเลยออันนี้ก็พูดให้เป็นข้อคิดเท่านั้นนะแต่ทําไม่ทําแล้วตายปเดี๋ยวอาจะเราคิดว่าเราเราปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนกิเลสมันจะเหล่าเราใช่ประเได้ทุกแห่งทุกคนแต่ปฏิบัติเที่ยเดียวกับยังปฏิบัติไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากมากอาจารย์ที่เตือนสติเพราะงั้นเดี๋ยวหลงบล่อยกลไปว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วเยดี๋ยวกลยเปน ไปเป็นแบบแย่เลยบันใไไหญ่ก็ได้ไปมันเรื่อยไปเลยแต่มีที่เดียวที่ยัไปที่ยังทําไม่ได้คืออยู่ที่เดียวปฏิบัติที่เดียวนี่ค่ะเข้าใจครับอาจารย์เดี๋ยวตั้งใจเพราะอันนี้เป็นคําเตือนที่แบบคือมันแบบซึกเลยค่ะพระอาจารย์ซึกมากๆต้องขอขอบคุณเลยครับอาจารย์เหน<ม>็พหนพฤติกรรมเห็นที่เล่าให้ฟังมาแสดงมาอย่างไปไ ป, ไปนู่นมาหนี่อยู่เรื่อยอย ยังไม่รู้ว่ามันต้องปัดหลักสู้กันพระพเจ้าว่าจะนั่งนั um, ่งอยู่ภายใต้คนคนมาเนี่ยมจะไม่ลุกเนี่ยเปตัวที่อยากให้เราลุกตัวเราจะเอาให้มันหายไปให้ได้อ๋อไดกำลังใจแล้วพระอาจารย์เยจะสู้กับมันเข้าใจแล้วพระอาจารย์เพราะว่าเราก็จะหลงไปเรื่อยเรื่รู้สึกว่าเออมันแบบเพราะเรามันรู้สึกดีสงบแล้วก็แบบเออจริงๆเราเข้าใจเลยค่ะว่าอาจารย์อีตัวเนี้ยสําคัญมันหลอกเราบ้างเลย ตองมีควาสมสวัมากกว่านี้และ ก, กว่านี้ที่ดีกว่านี้ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะอาธุคุณยิ น, นดีต่อย <laughs> ินดียินร้ายยินร้ายยินดีครอาจารย์ไม่ยินดีร้าดีที่สุดนะ <laughs> เฉยเฉยเอาเบกขาค่ะอาจารย์ค่ะยอมรับสภาพค่ะอาจารย์ Mm hmm. เราก็รักษาใจของเราไปค่ะอยู่กับอยู่กับอะไรก็ได้น mm hmm. ามีตามเกิดก็แล้วแต่สภาพอากาศคะ่ะ mm hmm. ท่านอาจารย์เราก็ดูตัวของเราไปค่ะท่านอาจารย์เบ mm ิกขาค่ะท่านอาจารย์ uh, <okay. S 2> อยู่ได้คะ่ะมีความสุขคะ่ะท่านอาจารย์อยู่กับท่านอาจารย์พ่อแม่ผัวอาจารย์ท่านอาจารย์ลูกขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเลยคะ่ะท่านอาจารย์ที่เมตตา ก็ลูกก we like ็ไม okay. yeah. okay. okay. ่มีอะไรเดวิดก็ไลน์มาเหมือนเดิมค่ะว่าฝากระลึกถึงท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ฝากกราบท่านอาจารย์แล้วก็บอสให้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากนะขอให้ท่านพระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเป็นล่กคนแรงนานค่ะท่านอาจารย์ถือถือคุณจอยต่อจอยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะ ออกมาม า, นะมาแล้วนาตลอดการการน้ำตาอะไรนี่นะาการอ่าไปนตอนนดะ้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าตื่นขึ้นมางงเงยงงเงยใส่บาตทีไรนี่งงเงยทุกวันนศุกร์วันศุกร์วันพระใช่ไหมคะเอ่วันศุกร์วันพระต้องไปโรงเรียนไม่ใช่มาไม่ได้มันไปได้ค่ะก็ไปตอนเช้าแล้วก็เลยอพอใส่บาเสร็จแล้วก็เลยไปส่งเขาที่โรงเรียนค่ะอ่าอืม เออโนโนโนสงสัยว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติจนเหมือนกับว่าเราปฏิบัติเองได้แล้วเหมือนที่เราไปอยู่บนเขาอย่างเงี้ยเราปฏิบัติเองอย่างเงี้ยก็คือได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราหาที่สงบได้ได้มันอยู่ที่เราจะจะปฏิบัติมไหมไม่ปฏิบัติการที่เราได้ปฏิบัติสองสามวันนี่ไม่หรอกค่ามันจะทําได้ต้องดูดูเป็นปีๆมันถึงจะรู้ว่าทําได้ออ พราะว่า ม, มันอาจจะปฏิบัติไปเดือนสองเดือนมันอาจจะเบื่อก็ได้มันหนูก็คิดอย่างงั้นเหมือนว่าการานันต้องระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนแต่ว่าอย่าเพิ่งมาช้าใจอย่าเพิ่งไปสลบทรูไปเรื่อยๆรูไปเรื่อยๆแ ต, แต่การฟังธรรมมันจะเป็นการกระตุ้นให้เรามีแรงคือเขิมใช่ไหมคะมันก็จะมมันจะช่วยให้เรามีมแรงด้วยแล้วก็มีเห็นช่องทางด้วย เวลาถ้าหนูเจอปัญหาที่หนูสึกว่าแก้ไม่ได้หนูจะเปิดทรรมาฟังแล้วหนูก็จะคิดตามว่าเนี่ยแหละใช่ได้ช่วยได้ฟังสามารถได้แต่แต่ฟังเมื่อตอนนามาไปปฏิบัติให้ได้ด้วยได้หนูพยายามหนูตลอดก็อย่างวันนี้หนูหนูคิดว่าหนูจะพูดเรื่องอื่นแล้วหนูคิดในใจคิดว่าได้เกเรเลยหคือใจหนูก็บอกว่าเอออย่าอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเรื่องใครเขาเลยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่พูดก็เงียบไปไม่ใช่เรื่องของเราไปพูดทำไมเสียเวลามาเหมือนกับว่า เหมือนกับสติเรามันเตือนตัวเองว่าอวไอะไรก็คือไม่พูดถ้าจะพูดอะไรพูดเรื่องของเราดีกว่าถ้าจะตำหนิตำหนิตัวเราดีกว่าอย่าไปตำหนิคนอื่นนะให้เสียเวลาใช่หนูหนูก็ยามจะตำหนิ ต, ต, ตัวเองว่าเออเธอก็ยังไม่ได้แบบดีพร้อมเธอก็ยังไม่ไปว่าใครเขาใช่ถูกต้งองแต่ว่าอ้เราจะไปว่าใครจะได้หรอแล้วมึงแล้วมึ ง, มงออเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ก็ยังไม่ดีพร้อมเท่าไหร่จะไปว่าใช่บางครั้ง หลวงพ่อบอกพระอาจาว่าเออเขาเป็นเขาเป็นอะไรนะเป็นเป็นมารหนูก็คิดใจว่าคนที่คิดก็คือตัวหนูเองนี่แหละที่เป็นไม่ใช่เขาใช่ไหมคะอืมพระว่าเราต้องรู้จักปล่อยวางเขาให้ได้เขาดีชั่วกั็เรื่องของเขาร้สึกเขาปล่อยวางเขานี่เขาตอนแรกเขามาใช่ไหมเขาเขามาหาลูกหาหนูแล้วก็กลับไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเหมือนเขาจะตายเหมือนเขาเครียดมากเลยบอกว่าอืมแต่หนูก็ไมรู้ว่าต้องรู้สึกยังไงก็ ไก็คือก็บอกามาตัวเาบางนะเข้าไปตัวเบาบางใช่เพราะว่าเมื่อก่อนหนูเคยรู้สึกเครียดนะเพราะว่าทุกคนต้องตายแต่่อสถูกว่ามันก็ต้องตายทุกคนอนะ่ะมันไม่มีไม่มีอะไรหรอกร่างกายแค่เป็นน้าลงไฟให้ตัวรู้มันไม่ได้ตายไปกัร่างกายอม่ออค่ะตัวบอกว่าจะสัตว์จะเอมตะวางตัวไม่มีทุกสัตว์ไม่ไม่มก็บูเนี่ยไม่เมีสัตก็ไม่ต่อ โอเคค่ะไม่มีอ่ะหมดแล้วไม่ไรไหมไม่มีแล้วค่ะก็ปฏิบัติอยู่ตลอดค่ะตั้งสมาธิอ้าวอย่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะคนอื่นเขาดีเชื่ออะลรไปเข้าไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะหนูจะเอาตัวเองให้ดีค่ะดูแลตัวเองอย่างเดียวดีกว่าแต่ก็แต่ก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยเหลือนะใครเดือดร้อนช่วยได้ก็ช่วยไม่ใช่ว่าไม่ดูได้ค่ะแต่ ไม่ไปยุ่งอะเรื่องของคนอื่นเขาก็าจะดีชั่วเรื่องของเขาแต่ว่าน้ำท่วมนีก็อวนตงังไปร่วมบุญเออดีทําไปอได้บุญมันก็ใส่บาตรนะนะหรือทําอะไรทําได้ก็ทํำไว้ค่ะโอเคดีอ่าคุณมาเลยต่อมาเลยเป็ไงเหตการณ์น้ําท<ต>่วมนี<ด>้เ<ไ>ป็นยังไงบ้างทำไงดี ต้องทําใจค่ะทําใจเลยอ่ค่ะแล้วก็ปล่อยวางถ้าเราช่วยอะไรเขได้เราก็ช่วยอะค่ะหลเคอ่าดีมะเป็นคนไม้คนละมือเรื่งเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะหลวงพ่อก็หนูก็มีมีโอนโอนฝักใจไปด้วยแล้วก็บางทีก็ส่งของไปบ้างค่ะหลวงพ่ออืม คงจะมีคนมาเริ่มเริ่มร่วมกันบริจาค ก, กันเยอะขึ้นนี่เพิ่งเริ่มต้นนียนะหลังจากนั้ น, นจะลงมันก็ยังต้องมีอาหารมีอะไรกินอย่างก่อนค่ะอยู่แบบเขาอยู่แบบลําบากค่ะหลวงพ่อมันคนจะเข้าไปช่วยมันก็ลําบากคนที่รอความช่วยเหลือเขาก็ทุกเขาก็กคืนเป็นอะไรที่มันก็กดดันทั้งสองฝั่งนะค่ะหลวงพ่ออืม แต่ก็คือถ้าไปไปดูเยอะเราเราทุกข์เราเอาใจเข้าไปทุกข์มันมันก็มันก็ไม่ไไมถูกไม่ไม่ถูกแล้วสงสารแน่แต่ไม่แต่ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาค่ะหลวงพ่อก็ต้องพยายามกลางๆแล้วก็อะไรที่เราพอจะช่วยเราก็ช่วยค่ะหลวงพ่ออย่าง อ, อย่างที่ทํางานหลวงพ่าสำนักงานของบริษัทก็กระโดนค่ะหลวงพ่อแล้วก็พนักงานก็ โดนด้วยค่ะที่อยู่ไม <ป S 2> ่ถึงไม่ถึสาขาที่ใหญ่นะใช่ค่ะหลวงพ่ อ, อก็ช่วยก็ช่วยช่วยพยายมช่วยกันก็คือเดี๋ยวพอถ้าสมุน้ําลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีว่าใครเป็นศิตอาษาจะร่วมไปช่วยเก็บกวาดหรือช่วยเหลือเพื่อนอเพื่อนพนักงานกับสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงอืม ก็มีรวดรวมเข้าของพ่อหลวงพ่อได้ได้บุญเหมือนกันอเนจิตสาาัสาก็ได้บุญเหมือนกันบางคน<ช>ไม่มีงินก็ใช้ใช้กําลังกายออกแรงรรออกแรงไปช่วยก็ได้ค่ะหลวงพ่ออืมโอเคมีอะไรอีกไหม ม, มันเราไม่มีคําถามแล้วค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่พ่อหลวงพ่อ รักษาใจเราให้งสงบนะไม่วุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นค่ะหลวงพ่อโอเคมีเท่นี้นะเอาเท่านี้ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะสาธุ ค, ค่ ะ, ะคุณมาลิกาอ่าที่บ้านเหมือนกันเป็นไงที่บ้านเราโดนไหมน้าก็โดนบ้างปากปลาเจ้จาค่ะว่าจัาถาบน้ำมันสการเจ้าค่ะก็ ก็ทำงานกที่บ้านก็อยู่รังแงะนะคะพระอาจารย์ก็จะหนักกว่าเวงนิดนึงค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคนต้นไม้ล้มที่หน้าบ้านก็วันสองวันเหมือนกันกว่าจะได้ออกไปข้างนอกได้ค่ะแต่น้ําไม่ท่วมใช่ไน้ำยังน้ำไม่ได้ท่วมเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าฝนเลงก็น้ําก็แห้งทันทีเลยค่ะแต่ว่าก็น้ำผ่านมาที่บ้านเป็นที่ร่มค่พระอาจารย์ แต่บ้านติดกับถนนใหญ่เวลาฝนตกมาก็มันก็ขังพอฝนหยุดตกมันก็ไหลลงขู่หรดอจังกะอืมอาหารการกินก็สะดวกขึ้นก <Okay. S 1> ับปรบกันค็อว่าได้ไปซื้อกับข้าวมาไว้โดยที่ว่าไม่รู้ค่ะไปซื้อปลาซื้ออะไรมาไว้ใส่ใ้ตู้เย็นก็มีของกิน โอเคก็เรก็ต้องเผื่อไว้บ้างนะเผื่อมีอเหตุฉุกเฉินแล้ ว, ลวก็มีอะไรสำรองไว้กินบ้างก็เหมือนกับที่คุณอาอุตสาว่านั่นแหละก็คือมันจะมีรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามค่ะพอาจารย์แต่รอบแรกนี้ก็คือน้ําท่วมไปก็คือเหมือนที่ลุ่มก็ปลูกผักปลูกอะไรนี่ก็เสียหายไปแล้วหนึ่งรอบแล้วประมาณนั้นแล้วก็กว่าจากนี้ก็สองรอบ เดือนมก ร, ราเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์จะได้รู้ว่าเออแรงแล้วอะไรประมาณนั้นบางท่านนี่มักจะโดนโดยพายุในช่วงธันวาแล้วมก ร, ราเนี่ยนะค่ะพระาาอาจารย์ ม, มันก็แล้วแต่ว่ามันจะลงในโซนไหนก็แล้วแต่นะคะพระอาจารย์เพราะว่าน้ําการพัดพาแอาน้ําทางน้ำนะค่ะพระอาจารย์บางทีมันก็เปลี่ยนทิศทาง เหมือนบ้านของคุณแม่ก็ก็ไม่ท่วมก็ก็โอเคอยู่ก็คือมันจะไปท่วมอีกที่ที่หนึ่งแล้วประมาณนั้นก็จะก็คือทางราชการเขาก็มันก็เขาจะเข้ามาโลภครองบ้างอะไรบ้างก็นียก็ช่วยได้เยอะนั่นเจ้าค่ะอาจารย์โอเคเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันนะเตรียมเผื่อฉุกเฉินอะไรอย่างเงมคุ้มากเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคแอยู่เจ้าค่ะอ่าไปที่ขึ้นหมอโรงแรงต่อ ไปหมอรับราชการครับพระอาจารย์เป็นยังไงอ๋อสัปดาห์นี้ผมมาต่างประเทศครับอยู่เออ่ฟิลิปปินส์แล้ววันนี้มาอยู่ที่สองสองสามวันแล้ววันนี้มาอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วครับออืมาราชการครับครับมามามาราชการเป็นประชุมครับพระอาจารย์ออืแต่ก็ยังปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ยังปฏิบัติเต็มที่อยู่ครับพระอาจารย์ออื ก็ดี๋ยวไม่ทิ้งนะถือว่าเก่งนะครับอาจารย์ก็จะพยายามทําเพิ่มด้วยครับทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพอาจารย์ครับอย่างน้อยก็ให้ได้คงที่ไว้อ่ะครับอืครับแต่ว่าผมตั้งใจทําเพิ่มอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกวับความอยากอะไรต่างๆก็พยายามค่อยๆเลิกไปมักน้อยสันโดษแล้วก็ถ้าว่างก็เออหมายถึงว่า พยายามระลึกให้ได้พุโทโธตลอดเวลานะครับพระอาจารย์หรือลมหายใจตลอดแล้วก็จะมีความจะจะจะค่อนข้างดีครับพระอาจารย์แล้วถ้ามีเวลาไม่ได้มีอะไรอะไรก็จะหลับตานั่งสมาธิครับอืมครับก็พยายามปฏิบัติเพิ่มครับพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวพอกลับไปกรุงเทพวันเสาร์ก็ไปที่วัดประทุมเหมือนเดิมครับเป็นั่งที่วัดปทุมทั้งวันนะครับพระอาจารย์น ค, ครับ เนี๋ยวนี่ได้เจอที่กล้บ้านนะไม่ต้องเดินทางไกลนะครับแต่ว่าที่พระอาจารย์ก็ยังมาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนที่วันกับพระอาจารย์บอกไม่ต้องบอกว่าจะมาเมือ่อไหร่มามเา ม, ามื่อไหร่ก็มาครับแต่สะดวกนะครับพระอาจารย์ครับโอเคครับไม่มีอะไรก็ถ้าเราทําไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะต้องถึงสวรรค์ น, นะครับพระอาจารย์ใช่แน่นอนทําไปเรื่อยๆเนี่ยวันถึงจุดหมายปลายทางเหมครับเพราะว่ามันก็ได้จุดมีความสุขแล้ว ก็พยายามแบบให้ได้ให้เราลดลดความห <ลด S 2> ยาดความหยาดให้มากลดความหยากให้ม า, า ก, มาากแล้วก็มีสติเอทั้งไม่ต้องมีความอยากเลยเฉยๆครับพระอาจารย์แล้วก็สติก็ต้องมีมากเพราะว่าไม่งั้นเราเราก็จะไปลงไปทำหลงไปมุ่งกับเหตุการณ์ต่างๆมากไปครับพระอาจารย์อืบางทีพอพูดมากหน่อยเนี่ยก็ไม่ดีละอืมจริงๆถ้าไม่ค่อยพูดฟังเฉยๆก็ และจำเป็นมก็พูดครับพระอาจารย์กลับทำงานได้ดีกว่าครับครับผมก็จะพยายามทำเต็มที่เพิ่มเรื่อยๆครับพระอาจารย์วันนี้มากับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงท่าถงแข็งแรงนะครับจาสาธุขอตนาครับครับอ่าคุณบัวอยากมาจไดการเจ้าค่ะอ่าเป็นไง สบายดีสบายดีเจ้าค่ะแต่ว่า ม, มีมีจิตหลุดเอความเศร้านิดหน่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยก็มองว่ามันเป็นเหมือนเมฆหบอกก็แล้วกันมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท้องฟ้าบางวันก็แจ่มใสาบางวันก็มีแมฆมีหมอกอย่าไปอย่าไปอยาป่อยาไปรังเกียจมันอย่าไปอะไรมันให้รู้เฉยเฉยหรือวันเศร้าหรือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ อย่าไปอยากให้มันผ่านไปเร็วๆพออยากแล้วมันทันที้จะไปเร็วมันกับอยู่นานเองอถ้าอยากใช้ให้มันหายเร็วๆก็ใช้พุโทโธพุโทโธไป้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็เลยเรื่องที่ทําให้เราเศร้าแล้วมันก็ความเศร้าก็หายไปแล้วค่ะไปดีพ่อก็เสียแล้วแม่เสียแล้วไม่มีอะไรห่วงแต่ ความเศร้ามันแวบมาเราใช้อพูดโทษช่วยแล้วก็ตั้งสติแล้วมันก็ผ่านไปใช่ไหมจ๊ะครัใช่มัมนนาอยู่ีเนี่ย<ห>มันจิตมันชอบหาควายค่อยคว้าอารมณ์เศร้ามาหลอก <c oughs> เราจ้ะครับเราต้องยอมรับว่าจิตเราแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวก็เศรา้าเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็เบิกบานใจมันเบิกบานไปตลอดก็ไม่ได้มันท้องฟ้า เราาบางวันก็แจ่มใสบางวันก็แต่ไม่ด้วยแมก่ด้วยหมอกล้วด้วยฝนนะมองมองอารมก็มันเป็นอย่างนี้ยมันเป็นหน้าตาเราไปควบคุมบังครั้งมันไม่ได้อ๋อดูเฉยๆใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าเอาวันบอกว่าเอามาแล้ววันนี้ถึงข่าวพวกความเศร้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรอย่าไปยุ่งกับมันให้ลูกเฉยๆใค่ะ เดี๋ยวมันก็เบิกบานเดี๋ยวมันก็เศร้าเดียวมันสลับไปสลับมาอารมณ์ของอิเพราะว่าอารมณ์มันมันสามารถเปลี่ยนได้เราควบคุมมันครับไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้ให้วันนี้เอาแต่เอาแต่สุขอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเราอยากปัญหาของเราคือที่เราทุกข์เพรเราอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวอยากให้มันเบิกบานอย่างเดียวไม่อยากให้มันเศร้าหมอง เวลานั่งสมาธิก็ก็รู้สึกสบายเจ้าค่ะแต่พอออกสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันก็หลอกเราเหลวงพ่ออาจารย์บอกเอาจุดที่พุโทโธพุโทโธหรือความว่างมามาดูมันจช่ไหมเจ้าค่ะแต่มันก็ผ่านไปดูเฉยๆดะูเฉยๆได้ก็ไม่ต้องทำอะไรดูอารมณ์สู้กับตัวเองนะคะเจ้าค่ะถ้าถ้าดูไม่ได้มันยังยังไม่อยากยังสู้คํามร้าไม่ได้ก็นั่งสมาธิไปพุโทโธไป แต่ถ้ามีมีกําลังที่จะสู้มันได้ก็ดูมันเฉยๆมันจะเศร้าก็ปวดเศร้าไปมันไม่ไปเศร้ามันตลอดนะะวันนี้มึงยังไม่เศร้าเลยจะเศร้จะเศร้าก็ปล่อยมันเศร้าไปแล้วก็แล้วก็ธรรมะทำธุระละไรพอไปปราบปรามไปอยู่กับความเศร้าไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองจะค่ะจะค่ะ ขอบคุณเจ้าค่ะอย่าไปอยากให้มันหายก็แล้วกันให้ตัวอย่างนี้มันจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอยินดีต้อนรับมันเฮะยินดีต้านรับวันนี้มาแล้วเหรอมาเลยเห็นหน้าหลายวันเจ้าค่ะพอดีพอดีแบบว่าเหมือนกับอยู่กับตัวเองก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นโลกซึมเศร้าไหมมันอารมณ์มันเยอะเจ้าค่ะก็มอนก็เป็นธรรมดาของทุกคนอยู่ที่ว่าเรารู้จักวิธีปฏิบัติจมันหรือไม่ Oh, ออเจ้าค่ะถ้าเราใช้วิธีปฏิบัติเราก็ไม่ทุกข์ปล่อยมันมาปล่อยมันไปดูมันเป็นเหมือนกับเมฆบอกบนท้องฟ้าเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไป <Okay. S 2> ขอบคุณเจ้าค่ะโอเคอ่ะเป็นปางว่าอะไรว่าอย่างไรตามนรมัสการเจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามารับฟังทมแล้วก็ ปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ค่ะโ okay. อเคคุณหญิงอยากอยากอยากเข้ามาอีกครั้งไหมคุณหญิงการพิการพระอาจารย์เจ้าค่ะเรือมหญิงก็ไม่มีอะไรค่ะทุกวันนี้ก็ลองทุกอย่างให้เป็นใจรักแล้วก็ปล่อยวางอะไรได้เยอะเจ้าค่ะโอเคทำสอนพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะความหมายคือปล่อยวางใจอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไร ใช่ค่ะก็แล้วเดีวนี้ก็มีเหมือนกับแฟนนะคะเหมือนกับว่าเพื่อนนะคะเขาก็ไปคุยกับแฟนแฟนหญิงเหมือนกับว่าพอแฟนเขาพอทานทานวายทานลาแล้วแล้วเขาก็เหมือนเขาก็พูดความในใจนะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนกัโยงก็เพิ่งรู้ว่าเขา่ไปบอกกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเมียเมียเขอโทษนะคะแฟก็บอกว่านี่ยเมียเมียกูตีสามก็ออกละออกไปออกไปนั่งสมาธิห้าตีห้าก็กลับเข้ามา ทำทุกวันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเยเวลาเย็บอกไปย็มก็ค่อยๆเบาที่สุดแล้วอะค่ะก็พิ่งรู้อ๋อนึกว่านึกว่าเขาไม่ไม่สนใจเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะเขาเก็บรายละเอียดเราตลอดเลยอะคะ่ะเ็เหมือนกับเขาก็บอกว่าเวลาทําอะไรก็ให้อยู่ในกรอบแต่ละการอย่าแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ ยมก็ปล่อยอะค่ะดมก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็เข้าใจเราเจ้าค่ะแต่แต่ก็ดีดีที่เขาไม่ไม่ห้ามเราพระอาจารย์เขาก็ปล่อยให้เราทําก็โอเคเจ้าค่ะโอเคค่ะยมก็ปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณหมอสุทธาจันทร์ยมธรรมสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคสบายดีนะ สบายดีเจ้าค่ะโ okay. อเคอไปที่คุณะพิสิทธิ์แทนคณะพิสิทธิ์อานมัสการพระอาจารย์ครับใชอหน้าให้ตาครับใครนะใ ห, หน้าให้หน้าตาเป็นนานอยู่มันงครัพอาจารย์บทีเข้ามาเน็ตไม่ก็ไม่ค่อยดีครับเน็ตก็ไม่ค่อยดียดเข้ามาแล้วก็หลุดนะครับก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพระอาจารย์ไม่ได้เข้ามาก็ทําอยู่ทุกวันก็ดีขึ้นอยู่ครับ Mm hmm. ความความกระสักระสายในใจมันน้อยลงมาก mm hmm. ก็ถือว่าดีก็ใช้ก็นึกถึงหลักการของหลวงตาที่ท่านพูดถึงเรื่องเรื่องของการทำภาวนาครับก็คือ mm hmm. ท่านบอกว่าการทำภาวนาก็เปรียบเหมือนการหว่านแห่นว่าอย่างนี้ขั้นเราสาวจอมแหยได้ก็คือคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธนั้นก็ สาวเหเข้ามาท่านว่าอย่างนั้นครับอืมก็หมายเขาว่าในในความหมายของดวงตาก็คือเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธท่านแล้วเนี่ยมันก็เกิดสติเมื่อเกิดสตินั้นแล้วอ่ะเราก็เห็นจิตที่ส่งออกนอกนั้นเราก็สาวจิตเข้ามาข้างในความใกล้ความไกลของจิตที่อยู่ห่างจากฐานก็แห่สิบสองสอกวานออกไปเราสาวเข้ามาหนึ่งสอกมันก็เหลืออยู่เหลืออยู่สิบเอ็ดสอกอยู่ประมาณเนี้ยครับความใกล้ความไกลของจิตที่พอเราสาวเข้ามา ประมาณทักเจ็ดสอกนมันเหลือห้าสอกนี่แหละในแห่มันจะมีปลาแต่หลวงตามไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มันก็จะดิ้นออกจากแห่ น, นั้นไปถ้าเปรียบการภารวานาก็คือเราเห็นความคิดมันจะดิ้นออกไปแต่มันโดนคุมไว้ด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธครับพระอาจารย์อันนี้ความคิดผมความคิดของเองอันเนี้ยก็เราต้องพุทโธไปเรื่อยอย่าอยุดพุทโธครับแต่ถ้าจิตผ ม, ผมก็มักทบทวนดูว่า ไอตอนที่จิตมันจะรวมลงเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันจะต้องสติมันจะต้องกำกับจ่อลงในคําบริกรรมพุทโธนั่นคือละอารมณ์ภายนอกแล้วก็ลงลงในคําบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นนะครับพระเจ้าจิตมันก็จะรวมลงไปครับอก็เปรียบเหมือนเราสาวแหเข้ามาจนแห่สิบสองซอกเราสาวเข้ามาสิบซอกเหลืออยู่สองซอกเนี่ยปามก็ดินจิตมันก็ดิ้นเหมือนกัน แต่สตินั้นไม่จะจ่อลงในคำบริกรรมพุทโธพุทโธมก็จะดิ่งลงในสมาธินั่นเลยเออบาตสนั้นก็หมดแรงก็ดึงสาวแห่ขึ้นมาอย่างนี้นครับาอาจารย์ถูกต้องอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวครับครับก็ประมาณนั้นนะครับพี่อาจารย์ก็ทำ<อ>ทุกวันครับอย่าไปทิ้งพุทโธอย่อยูอย่กับพุทโธอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจครับกะละจากอารมณ์ภายนอกดึงเข้าไปในคําบริกรรมพุทโธถูกต้องถูกต้องเี่มากอ่าธุกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์อ่าคุณตาย เื่อจะไม่ได้เข้ามาใชไหมวันนี้กลาวนมักการคะ่ะอาจารย์กลแบบ่าวขอบพระคุณมาค่ะก็นั่งฟังธรรมอยู่ข้างนอกอเต้าช้าไปประมาณสิบห้านาทีก็ไม่ได้เข้าแล้วคะว่ะอาจารย์คนมารอกันอยู่เยอะนะเข้ามาก่อนวันนี้ก็มาร่วมรับฟังธรรมเฉยๆแล้วก็เข้ามากราบอาจารย์ค่ะอืมสบายดีสบายดียดคะ่ะอาจารย์โอเคอค่ะอ่าคุณปานา กลับไปถึงกลับไปถึงเซเลมแล้วเหรอกลับมวัสการนะคะพระอาจารย์ยังไม่ยึนเลยค่ะตอนนี้อยู่แม่ห้องสอนจ้าค่ะเนียนคลลูกสาวเลย <c oughs> คนนี้เพื่อน <c oughs> ที่เจอกันที่ <c oughs> วัดยาเที่ไปเจอกันแล้วก็น้องเขาชวนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ <c oughs> าทัม <c oughs> บัว <c oughs> จา้าค่ะหลวงพ่อจบอกไหม สงบดีมากเจ้าค่ะเงียบดีนะเงียบดีต่างชาติเยอะนะคะคนไทยน้อยเลยแต่ทำไมถึงเป็นยังงั้นอ่ะต่างชาติวันนี้ร้อยสิบเจ็ดคนคนไทยมีสามคนเจ้าค่ะหลวงพ่ออ๋อว่าที่เขามีการปฏิบัติกันเยอะๆใช่ไค่ะที่มีอ่าต่างชาติอมาปฏิบัติเรื่อยๆอะค่ะไปทั้ไปทั้งกลับอะค่ะก็จกเด็ก ก็ ม, มีเล่ากับน้องค่ะอ๋อน้องชื่อน้อ ง, <laughs> น, องน้อง้องอะไรย า, ยาเมื่อกี้อริรยาเมื่อกีอ้ขอเข้าแต่ว่าพอดีเดินอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่าเอาที่นี่มีเอเดินจงกรมค่ะก็มีขึ้นเข่าเดินจงกรมสองรอบค่ะแล้วก็มีสมาธิเอสอนสมาธิค่ะต่างช <คน S 1> าติก็ทำพร้อมกันหมดเลยใช่ค่รวมรวมกันทั้งหมดค่ะ ก็ที่มาก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีค่ะสั่งช่าส่วนใหญ่ก็แล้วรับประทานอาหาสองมื้อเช้ากับกลางวันนะใช่อมงใช่ค่ะเป็นวิตเจตเยรยันจ้ะค่ะหลวงพ่อก็สงบดีจ้ะค่ะถูกูกใจฝรั่งฝรั่งก็ชอบแบบนี้นะถูกใช่จ้ะค่ะดูถูกใจฝรั่งจ้ะค่ะฝรั่งก็ชอบวิเจตเริยันฮะแลก็เงียบก็ดีเงียบสบายะค่ะ ต้องอากาหนาวตอนค่ำก็ยังมีการปฏิบัติเยอะวามีค่ะหกโมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะทั้งสมาธิที่ศาลาเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีสวดมนต์เป็นสามภาษาค่ะมีบาลีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษจากหลวงพ่อสวดด้วยกันพร้อมกันเลยนี่นะใช่จ้าค่ะแล้วก็มาเจอหนังสือ Beyond Birth ของหลวงพ่อด้วยจ๊ะค่ะอ๋อ พวัะนั้นก็มีเล่มนี้หลังจากสองทุ่มก็นอนแล้วหลังจากสองทุ่มก็ก็เข้ากุติชัยกุติมันเจ้าค่ะก็มี ม, มีกุติให้อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่หลายคน ม, มีมีกุติสองคนแล้วก็มีคนเดียวอันนี้มาเจอหนังสือเล่มนี้ขององคอ์เลยเจ yeah, <d> ้าค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็มาก็แนะนําให้เพื่อนต่างชาติก็ชอบอินเอลยแนะนำบางคน ถ้าเป็นกุฏิหลังเดียวนี้ก็ต้องมีเป็นน้อยกุฏิกุฏิมีกุฏิเดียวเยอะเลยจ้าหลวงพ่ออย่างของพวกหนูอยู่นี่ก็อยู่ติดเออเป็นเขาเรียกธรรมศาลาที่จะสวดมนต์แล้วก็ใกล้โรงครัวแล้วมีแบบเป็นหอพักใหญ่ๆหรือเปล่ามีค่ะสำหรับสามสี่สิบคนค่ะก็มีด้วยเป็นต่างชาติถักใจค่ะแล้วก็มีเราขออยู่แบบกุฏิเดียวเดียวได้ไหม ถ้ามีว่างน่าจะได้ค่ะถ้าถ้าประสงค์แต่วันนั้ก็อยู่อยู่รวมกันใช่ไหมก็ตอนนี้เราได้แบบตอนนี้เราได้แบบอยู่ด้วยด้วยกันสองคนนะจริงๆห้องนี้ใหญ่ค่ะหลวงพ่อน่าจะอยู่ได้สี่น่าจะสี่คนแต่ว่าใช่ค่ะตอนนี้พักที่สองคนเดี๋ยวเช้ามื้อก็ตอกเตื่นดากีมองอ่ะที่นี่ตีตีห้าจ้ะแล้วก็ แล้วก็ไปช่วยดูแลจัดเรื่องเตรียมอาหารเตรียมองเตรียมให้อาหารให้สายบาดนะคะเตรียมสาบาศก่อนค่ะมีพ่คิดลูกป่ะที่เห็นมีห้าลูกที่ลงมาค่ะที่ลงมามีห้าผมอยากที่มาสอนปฏิบัติก็มีหลวงพ่อพูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะอธิบายชัดเจนมาหลวงพ่อเลยอาจารย์ ยังคุยน้องยังคุยกันว่าหน้าเหมือนคาน <c oughs> อ้ายๆอาจารย์ไม่ค่อยอยู่ได้กี่วันนะที่เห็นลงในเว็บไซต์คือสิบวันก็คือรีเควสตขอสิบวันค่ะแต่ว่า ต, ต้องเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นหลักสูตรหรือว่าต้องเริ่มวันไหนจบวันนั้นหรือว่าเข้ามาวันไหนก็ได้เข้ามาวันไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะเหมือนกันทุกวันนี้ อ่าก็ขายขายค่ะใช่แล้วก็มาวันละยี่สิบสามสิบถ้ามีตารางก็จะเป็นตารางตารางเดิมแต่การสอนก็มีมีเข้ามีออกทุกวันเนี้ยมีตั้งแต่ตลอดกันไปนะใช่ค่ะเห็นว่าอ่าจะมาเยอะขึ้นช่วงช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ใช่ค่ะเพราดีมีที่ให้ต่างชาติก็ได้มาศึกษาได้ปฏิบัติใช่เยอะมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเ่วมากเป็นชาวประเทศ ใช่แล ม, ม, มีคบมีคบค่ะมีเป็นปนกันหมดน ะ, ะอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็<ม>อิตาลีนะใช่คะ่ะสเปนนิชก็มีค่ะที่หนูฟังๆสำเนียงดูก็อส อ, <ม>อสเตรเลียเยอะมีออสเตรเลียท่านนังรู้สึกชื่อด็ตอร์เอียนเห็นพหลวงพ่อท่านเรียกนอะค่ะ<ม>เขามา20ปีแล้วอะค่ะ ก็พาภรรยาแกมาปฏิบัติพอดีไปทําความสะอาดด้วยกันก็เลยได้ทักทายที่คุยกันนิดหน่อยนะคะคุณปอเราไปเจอไปเจอน้องที่วัดยานก็เลยเหมือนเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้าไ ม, ามามด้วยกันนะมาใจากันๆๆนะพาไปเจ่าเอกกันที่ <S <S วัดยานทั้งแรก <S <S <S สิงหาครั้งแรกที่เจอกันพอดีหนูไปถามทางก็ไม่น้องแล้วก็อายุเท่ากัน ใช่แต่มาที่นี่มาด้วยกันมาพร้กันนะเนี่มาเจอกันที่นี่มาเจอกันเองค่ะมาเจอกันเองหนูปกติไปคนเดียวไม่ได้ไปเวันนั้นหนูก็ไปคนเดียวแล้วก็ไปถามทางน้องว่าไปซาลาสวดยังไงอะไรเนี้ยค่ะก็เลยได้แนะนําทางก็เลยได้รู้จักกันวันคุยกันวันสุดท้ายก่อนน้องจะกลับค่ะก็เลยได้เป็นกัญญาณมีกันแล้วมีความคิดความอ่านคล้ายๆกันก็ ก็มาเจอที่นี่ที่นี่ก็มามานัดกันไม่ได้นัดกันไม่รู้จักกันเลยจ้ะค่ะหลวงพ่ถ้าที่วัดท่ามวัวนัดกันค่ะเอมาเจอมานัดกันที่ธรรมกายไม่ได้นัดกันเจอกันเจอกันบังเอิญจ้ะค่ะหลวงพ่อก็เลยเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันมาคลายคลายกันแล้วเราเชอาไปตามวัดต่างๆไหมหรือว่าอืไม่ใช่ค่ะก็คือเอ่อ เหมือนมาทําบุญมากกว่าค่ะแต่ว่ามารอบนี้ก็คือตั้งใจอยากอยากปูพื้นฐานตัวเองใหม่คอืะเมื่อก่อนก็ไม่ได้มามาปฏิบัติแบบจริงจังแบบตอนนี้เลยยังไม่ได้มาปฏิบัติจริงจังค่ะถือว่าที่นี่เป็นครั้งแรกที่มาปฏิบัติยังถ้าที่วัดยานก็อ่ช่วงหลังช่วงหลังเริ่มอยู่นานขึ้นประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มทําได้ดีขึ้นค่ะ แล้วก็เออก็รู้สึกยังไม่อยากจะเข้มงวดกับตัวเองมากก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูว่าวิธีที่ชาวต่างชาติเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงมันอาจจะรับเราอาจจะรับไปเริ่มตรงนั้นค่ะเป็นการปรับตัวรเราอาจจะถนัด<ร>ทางนี้มากกว่า การปฏิบัติก็เข้มข้นไม่เท่นี้เข็มเข้มพอสมควรค่ะแต่ก็คือก็มีผ่อนปนรู้สึกว่าถูกจริตด้วยอะค่ะอืมก็เลยมีคุยกันได้ยังพอยังพูดคุยกันได้เจริงๆก็ไม่ให้คุยไม่คุยก็เออใช่ค่ะก็จะมีป้ายไฟเลนส์พี่ดิเนก้าออนไลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ ก็มีกฎหลายอย่างค่ะก็ค่อนข้างเข้มงวดมีเพราะว่าจะมีเด็กเกเรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าจับปลิงมาพระอาจารย์สายุดก็จับลิงแล้วก็อ่ก็มีตรวจตาแล้วก็มีห้ามออกจากอ่กุฏิหลังสามพุ่มค่ก็มีที่ผ่อนคลายให้เขานั่งกินข้าวช่วงดึกถ้าบางคนมีความจำเป็นต้องทัน ทานดินเนอระค่ะก็จะมีร้านอาหารอ่ามีให้เปิดให้กินอาหารเย็นได้ก็มีพวกอาหารเส้นพวกมาม่าอะไรพวกเนี้ยค่ะหลวงพ่อเป็นของวัดแล้วเป็นของวัดแล้วเป็นของคนภายนอกมาทักมาขายเป็นเป็นของวัดค่ะของวัดเป็ของวัดแต่ไม่ได้จัดไม่ได้จัดให้ทุกคนนะแต่ใครอยากจะกินก็ไปสั่งช่วยใช่ค่ะก็เหมือนเซเว่นนะค่ะ เขาเ็นสูงของแล้วก็จับเองในการจดเองเอคนซื้อสินห้าก็ปฏิบัติได้ที่นี่ใช่ค่ะซือศินห้าค่ะแต่มีบางคนที่เขารับสินแปดก็มีขอพิเศษค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางทีต่างชาติเขามาไม่กี่วันบางทีแบบเวลาช่วงเวลาไม่ได้ค่ะถ้าถ้าลาสิงเข้าสินอาจจะบอกไม่ไม่สะดวกกับพระอาจารย์หลายท่านอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าศิลห้าก็พอดีกับเขาแล้วไม่ไม่เข้มงวดกับ บิเกนเนอยู่กี่วันก็ได้ไม่ต้องอยู่ครบสิบวันก็ได้ไม่ต้องอยู่ครบสิวันใช่มีบางคนเห็นอยู่นานเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาอยู่ก็แบบไล่ไล่กันเลยค่ะเกินสิบวันก็ได้ถ้าอยากจะอยู่เกสิบวันก็ได้ใช่ริจิสเตอร์ใหม่ต่อต่อค่ต่อใหม่ใชค่ะแต่ถ้าขั้นต่ําก็สองวันสามวันก็ได้ถ้าอยากอยู่สามวันใช่ค่ะสามวันได้อย่างต่ำต้องสามวันขึ้นไปใช่ แล้วมีคนไทยเยอะไหมเราแบบเทียบกับต่งางชาติวันนี้มีสามคนค่ะสาคนนั่นเลยก็มีสองคนแล้วก็มีเห็นมีพยาบาลมาจากร้อยเอ็ดค น, นค่ะอะเห็นว่าอเจ้าวาดวัดอ่าจากกร<ม>ุงเทพนะคะจากวัดมหาธาตุบางเขนแนะนํามาจามังหวะพระคุณไตติกาพิทักษ์ไตติกาจาชื่อจำชื่อไม่ค่อยได้แล้ว<ม>คะ่ะ แล้วี่โ <คน S 1> ร่แล้วเป็นยังไงโอเคไหมชอบไหมหนูหรอค ะ, อะหนูยังไงก็ได้แบบตัวง่ายด้วยอย่างนนหนึ่งค่ะแต่ว่ามาถึงแล้วก็ค่อนข้างถูกถู ก, ถ, กถูกจิตแล้วก็เออเป็นวูเขามีแม่น้ำมีครบหมดนะคะแล้วก็ เป็นจงกลมขึ้นเขาแต่กว่าจะมาถึงมากแต่กว่าจะมาถึงก็สองพันโค้งเลยจ้าค่ะหลวงพ่อแล้ววัดก็ไม่มีบ้านเลยเนีป็นเป็นเหมือนกับเป็นที่อยู่ตามลาพังเลยไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรมีหมู่บ้านมีหมู่บ้านข้างหน้าข้างหน้าวัดถนนใหญ่อะค่ะมีหมู่บ้านแล้วก็เดินเข้ามาถ้าเดินเข้ามาก็ประมาณกิโลสองกิโลจ้าค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านผสมผสานเหมือน เป็นของมีจีนอยูนานมีแล้วก็มีโบทของคริสะจักอยู่สองที่อยากรู้ที่ใกล้ๆเป็นที่ใกล้วัดไม่มีอะไรนงยก็มีเหมือนกันเป็นภูเขาเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็มีต้นไม้เป็นเป็นภูเขาสูงสูงเลยเจ้าค่ะหลองพ่ออ๋อเป็นภูเขาล้อมไม่มีบ้านเดี่ยไม่มีบ้านเดี่ยอยู่ใกล้ไม่มีเปหมู่บ้านก็เหมือนหุบเขาใ่ไเจ้าค่ะอากลมค่อยพัดเย็นสบายตลอดเวลา อ๋อน้องเคยไปใส่บาทหลว ง, งตามหาบัวครอบครอยของน้องไ ป, ปีมากค่ะตอนนั้นอยู่อยู่มต้นค่ะไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปที่วัดตาบ้านตาเนึงใช่ค่ะ <ST AN IC AL> บ้านอยู่ที่นั่นบ้านอยู่ที่ อ, อุดรค่ะก็มีได้ได้เจอโอเคมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหงม ก็แชรเท่านี้เนาะแชรประสบการณ์เท่านี้ค่ะดีใจที่ได้ยินได้ฟังจะได้รู้จักสถานที่เผื่อใครอยากจะสนใจอยากจะไปลองดูจะได้ไปทดลองได้วันนั้นก็หนูได้ยินอ่ลูกศิษย์หลวงพ่อที่มาจากออสเตรเลียหรืออะไรสักประเทศหนึ่ะค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาวัดนี้อืมแต่หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้มาจนน้องเขาเมนชั่นมากันเลยได้มาร่วมกันนะคะหลวงพ่อโอเค เวลากันจะหมดเรายะไปที่คุณคุณคุณคุณคุณคุณนิณคุนคุณคุณนาทีุณคทีคุอคุณคุณคแณคุณคุณนุณคุณวุณคุณาุณคุกคุณคุณงพณคุณคเณคุณคุณคุณคุณอุไคุณคุณคุณคุาคุณคุณคมาคุกคุณคุณคุณคุณคุณคุเคุณคุ้ยเณคนณคุณคุณคุณา ค่ะอาจารย์หนูก็ได้ฟังว่าน้องๆเราเมื่อกี้เนี่ยหนูก็ลองไปปฏิบัติธรรมเข้าคอร ด, ดูอะค่ะอาจารย์อยู่ที่เขาใหญ่ไปกับเพื่อนเขาชวนอะไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยถามว่าชอบไหมก็ก็ชอบนะคะเพราะว่าเอ่อเขาก็มีกฎระเบียบดีอะค่ะอาจารย์สิ่งที่ได้ก็คือชอบอชอบชอบให้มีกฎมีระเบียบ แล้วก็ความสะอาดที่ชอบนะค ะ, ะการที่เราจะต้องปฏิบัติให้ตรงเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์พอเขาเป็นปฏิบัติมา ต, ตอนนี้หนูเองรู้สึกปวดหลังมากมเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะ่เคยผ่าหลังมาก็เลยนั่งนั่งนานไปนหน่อยแล้วทาให้รู้สึกแต่ก็มาพิจารณา อ่าสังขารของตัวเองอะค่ะพยาายนอ่ามันไม่ได้เที่ยงมันไม่ได้แน่นอนก็คิดอยู่ว่าถึงจะมีร่างกายสวยงามหรืออะไรขนาดไหนท้ายสุดมาแบบนั้นแก่ไปค่ะดินน้ำรวมไฟมารวมอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรหมดจากนั้นคร่างกายนี้ก็จะหายไปค่ะอาจารย์จะเียง่ว่าไม่มีอะไรมากค่ะพี่จรณาต่อไปค่ะปล่อยวางแล้วอย่าไปทุกข์กับมัน โอเคไปที่คุณล้าต่อคุณล้ามีมีคีย์คำถามกลับนมัสกรารค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับการที่นักภาวนาจะพิจารณาทําลายกระดูกของตนเองควรต้องพิจารณาอย่างไรครับนึกคิดไปในใจให้ใหมันหลุดออกมาเป็นชิ้นๆกระดูกแขงกระดูกขากระดอกอะไรแล้วก็ ก็กนหนดให้มัน ผ, ผุพางกายมันดินไปคำถามต่อไปเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่กายทำให้ใจทุกขณะที่ภาวนาควรจะกําหนดดูทุก์ที่เกิดขึ้นหรือท่องพุทโธหรือทำอย่างไรต่อครับเ อ, อ่อก็ต้องใช้วิธีของสติก็คือพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บของร่างกายเนหรือว่าถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่า ความเจ็บของร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดต้องดับของมันไปเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องถัดอยู่กับมันไปให้ได้ย่ามั่นับมันอย่าไปปฏิเสธมันอย่าไปอยากให้มันหายแต่ใช้ปัญญาคิดแบบนี้ได้ก็อยู่นั่งเฉยๆอยู่กับความเจ็บได้แต่ถ้ายังนั่งเฉยๆอยู่กับความเจ็บไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธช่วยให้อยู่กับพุทโธอย่าไปนึกถึงความเจ็บ พอเราไม่ทนความเจ็บเดนื่ยวใจแล้วก็วางเฉยได้คำถามสุดท้ายจากคุณชมโคผมมีปัญหาอยากถามครับเวลานั่งสมาธิไม่ได้นึกถึงอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแบบที่เคยได้ยินมาว่าเวลาข้ามแม่น้ำให้ใช้แพรเมื่อถึงฝั่งแล้วให้ทิ้งแพรผมนั่งสมาธิผิดหรือถูกครับ ก็มันไม่มีอะไรเลยเจงหรือเปล่าเนี่ยโกยนั่งแล้วใจกยังคิดไปเรื่องๆอยู่ในที่ไม่รู้สึกตัวนะถ้านั่งเฉยๆได้มันต้องนิ่งสงบแล้วเกิดความสุขที่มาจะจันใจได้ถึงจะถูกถ้ายังไม่นิ่งสงบก็ต้องใช้อะไรสักอย่างคอยกํากับใจจนใช้คาบริการพุทโธพุทโธนึกดูลมหายใจเข้าอย่านั่งเฉยๆคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดแล้วสำหรับคืนนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิิจาราณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจาเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด